ที่วัดป่าหวัวตลุกวนารามวันที่27กันยายน2559เรื่องวิญญาณคักขรูปตามทวารวิญญาณธาตุรู้อยากพุทธะโดยหลวงตารนารงศักดิ์ขีณาระโยทำอะไรครับรางหส่ะอะไรทำที่แลรวมาหา ครั้งที่แล้วมาหาหลงตาแล้วก็หลงตาบอกว่าแบบว่าอะไรนะติดนิเลือดติดนิ่งเนาะตอนครั้งที่แล้วคือแบบว่าหลวตาบอกว่าติดนิ่งใช่ไหมคะแล้วก็แบบเลือดน้อยซีดไปหมดเลยก็เลยว่ากลับไปแล้วก็แบบไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไอ้เดิมๆไม่เอาแล้วก็เลยเอาใหม่ก็เลยฟังหลวงตาเก็เลยกลับไปพิจารณากายก็ บางแล้วมันก็กลับเข้าหลุดเดิมบ้างแล้วก็เทําใหม่กับเข้าหลุดเดิมกลเข้าหลุเดิมค่ะแล้วก็ก็เลยว่าแต่พอช่วงหลังๆเนี่ยกําลังจะเปิดร้านก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนแบบมันเหมือนข้างในอ่ะมันเหมือนว่าทุกอย่างอะมันไม่แน่นอนอเลยเลยเราก็เลยคำหลงตาขึ้นมาว่าเราสาอะไรไม่ได้รักษาใจไว้เป็นพอก็เลยกลับมาเล้งเลยว่าแบบเฮ้ยไม่เอาอะไรแล้วแล้วก็เลยกลับมาฟังหลวงตาฟังฟัฟัง แล้วก็เลยก็เลยตอนนี้ก็เลยโยงก็เลยพิจารณาใจแล้วโยมก็เลยแบบแต่บางทีเนี้ยคือคือบางทีมันมันมีก็มีเข้าวหลุเดิมแต่โยงก็ว่าเอ้ยอันนั้นก็ไม่ใช่แล้วโยงก็รู้สึกว่าพอเห็นไอ้ไอ้ที่ไม่ใช่แล้วไอ้โดยไหนที่พูดก็ไม่ใช่อีกยมก็เลยว่าเออเอก็ไม่ใช่อีกลงไปแล้วเดี๋ยวมัก็พูดข้นมาอีกแล้วเออก็ไม่ใช่โยงก็รู้สึกว่างั้นตอนนี้โยงก็อยู่ไอ้ตรงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไป ีแต่แ่นีไงคืีมเราาอใส่เขเริ่มใช่พุ๊ิงสุดแล้วใช่ก็คือยิ่เสุดที่ในบทพอใช่แล้วปีศาจีก็เริ่มใช่ ก, ชกับอาวิชาแล้ว้ไอ้ที่ไม่ใช่ไม่ใช่รอกกลับอะไรยนะังไ ม, ม, ม, ม่ใช่ก็ไม่ใช่ในคแล้วใช่ก็หลายรืงเนี่ยทนยนี่ป็อาหมอนี่อาชีพของอถ้าถูกตอนยงพิจารณากายอ่คาคือ มีก่อนหน้านี้พอโยกดวงตามันจะมีคลิปที่เป็นอสุขะอะค่ะแล้วโยกก็ดูแล้วแบบมันมีอันนึงที่บอกว่ากายขาปีสองนั่งขาทีสองแล้วมันมีกระดูกโยงก็พอพิจารณาแล้วมันเห็นในในคลิปอะค่ะมันเป็นแบบมันเป็นรูทุณๆุณในกระดูกโยงก็ตอนนี้ตอนแรกโยงก็ตอนแรกโยงเห็นว่ามันเป็นกระดูกใช่ไหมคะเสร็จ แ, แล้วต อ, เ, อเวลายกเห็นคลิปเนี้มันเป็นรูคุณคุณแล้วโยกก็พิจารณาเลยเข้าไปอีก โยมก็ต้องแตกมันออกไปเรื่อยๆจนโยมก็แต่ตอนนี้คือมันมันเริ่มแตกออกแต่เหมือนแบบมันจะไม่ใช่ทุกส่วนที่โยมจะเห็นว่ามันแตกออกเหมือนอย่างหูเนี่ยแบบตอนนี้คือไม่มีคือแบบโยงเห็นว่ามันเออมัน ค earned, class, ือเป็นหูเน um, ี่ยเป็นส okay. so so so to ิ่งที่แบบยมรู้เลยว่ามันไม่มีแต่อย่างอื่นเนี่ยมันเหมือนมันยังไม่ได้วันทองว่ามันไม่มีทั้งหมดก็คือเอาที่มันชัดเลยอะไรเมือนชัดเองเอาอันนั้นให้มันแตกเป็นี่ยกออไปเป็นสี่ดีเอาที่สี่ดีมาใส่รอยสักรอยหนักอันนี้คือที่สี่ดีก็มาจ้างมันเยอะซ้ำๆๆๆๆมันก็ไม่กลับไป ก่อนน้านี้ก่อนเจอหลวงตาก็แบบทุกอย่างเครียดไปหมดเลยแล้วพอแบบมันเหมือนว่ามันมีอะไรปิดอยู่ว่าทำไมมันยิ่งปฏิบัติยิ่งตานยิ่งปฏิบัติยิง่งแบบพุ้ พอแบบพอพอมาฟังหนูาพอฟังเรื่อยๆเื่อยๆเรื่อยๆคือแบบเออมันมันจะมันเหมือนมันเห็นทางอะค่ะเล็กาตัวนี้เนี่ยพี่อุตส่าห์ตอบยากแบ้วคนน้องแกงเนี่ยไอไอทางนี้เนี่ยมันกับคนเนี่ยไอทางนี้ทางทั่วทางทั่วแล้วก็คนทุกพยายามมาถามว่ถ้ามาทางไหนได้มากมาานลูกตาเนี่ยตามมาทั่วหมดแลแ้วจะมาทางไหนได้ว่า ไอเราพยายามบอกแอบพี่คนน้องคนนี้ไอคนใหม่ก็มาถามอีกไอพวกคนนี้คนใหม่ก็มาถามเราก็ตอบล้ำคนล้ำแก่เหมืนกัแอนที่อะไรเนี่ยเราก็เขียนกัแผนที่กันเลอถามจะไม่ตอบก็ไปได้พวกมันหลงทางอยู่ก็ต้องตอบทุกคนมันก็เลยต้องตอบทุกคนเหมือนคนเดี๋ยวคนนี้มาอ่าคนใหม่มาถูกแหไอคนใหม่มาไม่ถูกก็ตอบอีนหลงทางอยู่หนองสางไปไหนก็แม่ใหไม่ปูกแล้วเรามาตรงไหนเนี่ยหนองสา เร่องการไอ้การทู่แบบทํำกันไอ้คนนี้ก็ใจและไอ้คนตอไปไมันก็ใจก็ไม่รู้จะเมื่อไหร่จะจบสิ้นจะการตอบเพราะให้คนทรบหลังมากพราต้องถามอีกเพราะมันก็ยังหลงทางอยู่แล้วมานั่งตอบหลังกดห้องแก่งไอ้ครั้งจะไม่ตอบแล้วเพรากล่าว่าตอบมันก็ไม่ดีก็ทีเดียวลงไปทีมันค้ายจะเหมือนแต่มันหลงไม่เหมือนมันหลงนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วมันหลงเหมือนกันก็ดีตอบทีเดียว ก็เดินโดเดินซื้อซอมไปเลยที่มันคนนึงก็หลงอย่างมึงคนนึงก็หลงอยางต้องบอกมาตอนแรกก่อนเรว่าเหมือนการอาบแฟนไปนี่มันหลงไปยังไงอย่างบางคนจะกล้ากัหลงก็ะดัตอบไปไอ้แบบนี้ต่อไปหลายเลยละต่อคนนี้หลงอีกไม่อยากเลยมันเลยไมหมการพนันและยังไม่กล้าต้องอดทนต่อไปด้วยที คือาาําต่อมันไว่ามารถทคิดออกมาได้คิดออกมาได้เมื่อไหร่จะเป็นแบบว่าก็ร์ดิเอร์แลนแบบยิ้มสมบูียิเปล่าเรื่องชุนต้นๆอาจจะยังไม่ได้นะคะลอดตาแต่ว่าท้ายจจ ม, ามันจะงวดิแงวดแล้วก็ทำเป็นต้นถึงแล้วทาเป็นต้นถึงมันจะได้โยนโ ย, ยเป็นเลขอนี้นก็เป็นอาหารเอาเ อ, อาทำเป็นอาหารอาหาร ตอนต้นมันมีหลือมีอะไรเยอะมาก่แล้วคนมันเปหลืออะไรซ่อนแต่ข้าตาทองมันมีอะไรเราก้องแกะเนี่ยเรียกว่าข้าตาตรมดูเด่ยวเป็นางกลอดที่ไม่มีมีทางแยกนะาตมยักๆต้น็งยังม่เลยต่อที่ดูไปดึงเอมากอื่นก่อนเาทิก่อนเราทิงรถบรกเช้าก็พอีกก็พอีกานเร็จก็ตังพิมพอีกไปยังไม่เสร็จเลยเนี่ยหลังคนต้องแกะ ไล้พิมไปบอกว่าอพี่พิมตัวถุงอะอาบไม่วแเดี๋ยวาแก้ต ร, <c oughs> ร้องใหม่าบแล้วเราของกุ๊กเลยอว่าเหมือนอย่างที่ทายๆกันนองออย ก, ก็คือว่าเหมือนอะไรเกิดขึ้นก็เหมือนอยู่กับรู้แล้วพอรู้ก็รู้อีกว่าที่สิ่งที่ถูกรู้อันนั้นไม่ใช่จะไปหมายอันนั้นก็อันนั้นก็ไม่ใช่ แล้วก็จนมันเห็นบางทีมันเห็นจ น, น, นมันรู้สึกว่าเอ้ยงั้นทุกอย่างก็ก็ไม่ใช่อย่าไปอะไรกับอะไรอยู่แต่ตรงนั้นคือใช่อยู่กับความไม่ใช่อยู่เสมอไปอย่างนี้นค่ะแต่ว่าในในแต่ละครั้งที่ก็หันพยายามเหมือนคอยสังเกตตัวเองด้วยว่าในไอ้ที่การจะอยู่กับไม่ใช่เนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันมีข้างในที่ผักใส่อยู่ไหมแล้วไปแอบแบบว่า แอบดักสภาวะว่าเอ้ยอันนั้นก็ไม่ใช่เพราะว่าข้างในมันไปแอบไม่ชอบไว้ก่อนก็ต้องมาสังเกตตัวนี้อยู่อีกว่ามันมีไหมแต่ถึงที่รู้ก็ไม่ใช่อยู่อย่างนี้นะคะก็แต่มนเวลาไม่ไม่ใช่ไม่เช่ว่าไม่ใช่ก็ไดหรือไม่ใู่ก็ได้ ใช่แต่ตัวเราใช่ยังอื่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ไม่อยู่สิ่งหนึ่งที่ไม่อยู่ที่เอาตัวเราไป็นอี่ใ้บาอืไม่ใช่ไม่ใช่แต่ตัวเราใช่เนี้ยแค่แค่ไอ้ปลไม่ปล่อยตัวเองเขาตัวเองไม่ปล่อยยางอื่น ตัวเราไม่มีมเป็นต้องปล่อยไม่มีอะไรใช่ก็อบอกว่ามีอะไรใช่เป็นอวิยานตุจิตใจะกลายเป็นหาหารักษ า, าตัวเองอืแต่ยังมีปล่อยวางในรักษาตัวเองคิดว่า เ, เป็นข้างในเนี่ยพอดูมันจะแอบมันจะเหมือ น, นแอบมีอันหนึ่งที่มันเหมือนคล้ายๆแน่นๆอยู่ข้างในเพราะว่าเราต้อปล่อยวางแต่รักษาตัวเอง แล้วแสดงว่าในการรักษาตัวเองเนี่ยมันเหมือนในขณะนั้นก็คือรู้ทันสิ่งนั้นหรือว่าโยนิโซไว้ไม่ต้องยันเวลารู้อะไรจะไปรู้แตอากรที่สดรู้จะไว่อยวางแ่อาการู้อะไรสำคัญในทุกที่ที่เรารู้อืมจะปล่อยวางเทนั้นไม่มีอะโยนิโซจะไม่มีมัต้องโยนโซตัวนี้โยนิโซที่ว่าอย่าลื้ ก็รู้อะไรทุกครั้งอย่ารู้อย่าปล่อยวางแต่อาการที่ถูกรู้ให้ปล่อยวางตัวเราผู้รู้เนี่ยตัวเราเนี่ยต้องไปรู้ทำให้ปล่อยวางที่ตัวงปู่ดูลย์นภลโอเท่านนว่าพกผู้รู้ให้ข้าผู้รู้พบผิดอาการของผิดให้ข้าให้ทำลายอาการขผิดพบผู้รู้ให้ข้าผู้รู้นี่คือไอตัวเราเนี่ยพูดไปรู้เนี่ยไอข้ามัาข้ารู้ว่าให้เห็นตัวเราเนี่ยมันไปรู้อะไรมันต้องปุงมันต้รู้อะไรแล้วมันต้องปงรู้อะไรแล้วมันต้องปง ภายในที่ตัวเรานี่แนะถ้าในตัวเราเราจะปล่อยาตัวเราเเลยอนี่ยที่เราตอบเขาเนี่ยเราเรียนตอบตรง น, นี้นะเราตอบตัวตนแนแ้เเป็นคนที่อยู่ตรงนี้ เ, ย เ, เลยว่าตรงนี้ที่คนถ ม, มากนะครัเราแน่นอนเขาจะรู้แต่าา อ, อ, อาการที่ถูกรู้อาการที่ถูกเขาจะทําเหมือนกับว่าอาการที่ถูก ร, รู้เนี่ยมันเป็นพลทัศน์แต่เขาไม่เห็นตัวตัวผู้รู้เนี่ย ที่นั่งดูโทรศัพท์คือตัวเราผู้นั่งดูโทรศัพเนี่ยที่เป็นรู้อาการพิษอาการแหกมานั่งอยู่โทรศัรหน้าพทัศน์แต่เรานี่จะปล่อยวางแต่อาการในโทรศัพท์แต่เราไม่ปล่อยวางตัวเราก็ผู้ดูผู้รู้ในโทรศัพท์เข้าใจไหมถ้าอย่างเงี้เราจะพาคือต่อไปเวลาเราเนี่ยตาเราไปเห็นรูปลูกจะเหมือนกับโทรศัพท์แต่เราผู้ไปรู้ลูก คือผู้นี้นั่งรู้อยู่นั่งรอแทบเราก็ต้องปล่อยวางตัวเราแต่เราไม่ไปปล่อยวางรูปเวลาหูเราได้ยินเสียงแทนที่เราเนี่ยจะไปปล่อยวางเสียงเราปล่อยวางตัวเราผู้ผู้ไปไี้ยินเสียงคืออะไรพอตัวเราได้ยินเสียงตัวเราติดต่อไปยังไงคิดติดต่อไปยังไงคิดติดต่อไปยังไงเราก็ปล่อยวางตัวเราอพอเจ้าหมูได้กินแทนทเราจะไปปล่อยวางกิน เราต้องปล่อยวางตัวเราผู้รู้จลเก็ไปคิดติดตอนอย่างไปคิดติดตออย่างไรเราก็ปล่อยวางเรื่องตัวเคิดติดตอนดูตัวเราคิดติดตอพอลิ้นไปกินอาหารทุ๊บเช้าเนี่ยกินรถลิ้นรสอาหารพอลิ้นแตะรสอาหารปุ๊บมันเราจะไปปล่อยวางรสอาหารจะไปป่อยวางอาหารที่ท่านบอกว่าเฮ้ยตอยกินเจถ้าไม่รู้ไม่ไม่เห็นตัวเราพุ้หแต่งเลยแต่ว่าเป็นคนยังหลงกลคือปล่อยงปล่อยวางอาหาร มันต้องรู้ตัวเราผู้ไปกินผู้ที่รู้รสอาหารแล้วตัวเราเนื้ิดติดต่ออย่างไรแล้วก็ปล่อยวางตัวเราพอไอ้ร่างกายเราไป็นสมบัติอะไรแทนที่เราจะปล่อยวางสิ่งที่มสัสสมบัติเราก็ปล่อยวางตัวเราผู้รู้สิ่งที่มันสมบัติในขณะนั้นมันชิดติดต่ออย่างไรก็บแาก็ป่อยวางตัวเราอันนี้ก็้ามาหน้าประเลตอนนี้สำคัญที่สุดคือเอ้ระตูใจนี่แหละธารมลมเนี่ยทยิงอยู่เนี่ยเนีนมันบวางกอยู่ทันทีธรรมะเลยือ อาการทุกชนิดอแล้วา ก, าอากา็อาการนิ่งอาการอันนี้ของเขาเนี่ยอาการนิ่งว่าโคมโรเบาสบายเนี่ยเขาไปเอาอันหนึ่งที่หลงพิดก็ไปเอาอาการนั้นมาเป็นใจตัวเองเป็นแก้ไม่ไ้พวกมันถ้าอาการเราเนี่ยไป็ีว่ามันเป็นใจตัวเองที่เราเป็นใจตัวเองก็ใครเล่าจะไม่อยากให้ใจของตัวเองเนี่ยมันสบายมันก็ต้องเกลียดรักเกลียดทุกข์รักสุขดีรักตัวชางอยู่นั้นเนี่ยเพราะว่าไปยิดเอาอาการนี่ยมาเป็นใจตัวเอง พว่าอย่างผมยึดหรักอีมันทำไม่ดีหรอกแไม่ได้ฟังนะไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังมันทาให้เราต้องอธิบายหลายรอบกับแต่ละคนเนี่ยไม่เคยมาังตั้งใจฟังพราว่านี่มันมัน้องัญ้าเลยมันผิดเหารอกัตั้งใจฟังทีเดียวมันยุ่งแต่ระการภนมันกฟัง คุณคิดอยู่เราเห็นก็คิดอยู่ทุกเหตุการณ์ในไหนเราจะระวนไม่ฟังเลยใเราต้องอธิบายหลายรอบอะไรเราไม่อยากให้อธิบายแค่ทีเดียวแต่เนี้ยซึ่ง <c oughs> ปัญหามันก็อยู่ตรงในประตูใจนี่แหละไอ้ปัญหากับลูกหนึ่งควจะเข้าใจพอตาเนี่ยมันเป็นรูปแล้วมันเราคิดอะไรกับรนะูปมันอันนี้พอเจะเข้าใจคือจะไปปล่อยวางรูปจะปล่อยวางตัวอะไรรคิดอะไรกับลูป <c oughs> <c oughs> นี้พอหูได้ยินเสียงเนี่ยเราจะไปปล่อยวางเสียงพม่ว่าจะปล่อยวางเสียงปล่อยวางตัวเราเนี่ยโอ้ไปคิดอะไรกับเสียงก็ปล่อยวางตัวเราเวลาเจ็บที่ปุกแต็งอย่างไงกับมแต่มุได้กินลิ้นลดกายสัมผัสก็เหมือนกันเวลาเรากินอาหารจะไปชูแต่รสชาติใหู้วใจเราคิดปลกแต็งอย่างไงกับอาหารนั้นแล้วก็ปล่อยวางตัวเราผู้ปล่วางความคิดเร่องสิ่งต่างๆแวก็ปล่อยวางตัวเราผู้คิดแตก สั่งแต่ว่ารู้ความคิดุณแต่งตัวเราอยู่ตัวเราพวกคุแต่งให้สั่งว่ารู้ความคิดคุแต่งแต่คนเนี่ยจะไ่ปล่อยวางเนี่ยทั้นเดียวคือพอรู้ลูกแล้วก็บอกว่าสั่งแต่ว่ารู้ลูกแต่มันไม่ได้ปล่อยวางในพวกมีคิดคุณแต่งเกวกับรูปแล้วมาสั่งแต่ว่ารู้กวามคิดคุณแต่งแต่เพียงไม่ได้บอกปล่อยวางอยู่เราเอคคนไม่ดีเสียงมันก็ปล่อยวางปล่อยวางเสียงแอบปล่อยวางอย่างนี้ถึงรู้ แต่มันมันไม่ได้สังเกตเห็นว่าไอ้จิตใจเราเนี่ยจริงๆอามันเป็นวิญดาลขันมันไปรู้ไปรู้รูปลดจิตเสียสัมผมันคิดปรุงแต่งอย่างไรกับสิ่งนั้นมันมันคิดปรุงแต่งอย่างไรกับสิ่งนั้นให้เราเห็นว่าขณะที่มันกระทบเนี่ยมันคิดปรุงแต่งอย่างไรแล้วเราประสาทสมารู้ตัวเราปรุงแต่งกับที่มันระทบกันแต่ี้ไอ้ประตูตาหูจมูกเนี่ยห้าจิตใจเนี่ยห้าประตูเนี่ย มันสามารถที่จะอธิบายงดายเแต่ที่เอ๋ที่เข้าใจแล้วมันอธิบายแล้วก็ที่เกิดาเรน้อยตอคเรา้อใือว่าประทุใจที่ที่ถูรู้ัทุใจคืออาการอะไรเพื่นอาการอาการที่โป่งโล่เบาสบายไอ่ว่านี่เฉยอาการไม่โป่งโล่งเบาสบายไม่ว่าที่พอมันไปจับอาการพวกนี้เป็นใจ อันนี้มันจะไม่ร้อนมาักมั้ย้าอาการหลัีตื่นใจของเขาจะร้อนรากลยถ้าอาการที่ไม่ถืกใจ ม, ใจ ม, ออ ม, ใจมันจะริบลงมาแต่ถ้าอาการถุกใจมันชอบใจเราบ้างใจของเรามาใจเราระมานตันนี้นก็ตาย เ, ยเลยนะเพราะว่าอะไรมันไปจับติดตัวไปจับติดตัวอันี้เร้กั เี okay okay okay right yeah. um, ๋เ่าปไ้กจะันหับต้องไปอจาการหอกเนี่ยเลยเรียกเาฟังนะแต่เมื่อพ้อไปจับอาการเนี่ยแล้วเอขอมันไปจับอาการคไม่รู้เลยไเนี่ยไอเนี่ยมแล้วาคิดอะไรกัการวันูอยู่เนี่ยจะไดาจับอาการเป็นา เด็กพูดอย่างกันยขาแล้วพูดก่บตั้งต่างกันพอจักตาเปียนปมากโคตรดูใจแต่เวียนในหัวนอนน้อยเลยน้อยคนแปลกเลยได้จัตานอนกันแม่เก้าถึงหมื่นรแช่แช่อาจารย์งกันหลายวันทีต่อเใจกล รตอบว่าตอบพูดกับพูดลดใกล้ตัวกับพนนี้เืิ่มลเปเอาการเขาเอาอาการั้ไปใช้อู่ใตัวอย่างตัวนี้เปิดมือนอนแช่แล้วก็มือกับคอตืนมาเป็นแตเดี่ยกงกุ้งตัวกจะกงอะไรตั้งเ่อกคโกงให้พวกกินเหล้ากินเหล้าเรี้ยงเร้าแก่แล้วเหล้าแหลมโกงอ่ะถูกกงเขาเรียกเราเราหรือโลกโกงเขากีบต หลบขององคหลบกระแตวีดเนี่ยะมันไปจับประการบประการหนึ่งตาเจ็เท uh ียงก็หนังไโดนอวานจฟังทำเข้าใจเข้าใจได้สบายใจเข้าใจแล้วไปจับอระการจะเข้าใจแล้วจะแชร์การสบายถว่าไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจก็ต้องฟังต่อฟังอี่ฟังอีกฟังอีกฟังเข้าใจตังเป่ยนฟเราคือมันไม่เข้าใจเด็กหนไม่เข้าใจเรารู้แล้วเนี่ยไม่เข้าใจพอเด็กเราไม่เข้าใจนะเราไม่รู้แต่เราพยายามู้แล้ก็ไม่ฟังเข้าใจแล้วมันไม่สบายก็แล้วไม่สบายรู้ไหมเนี่ยไอที่ไม่สบายเนี่ยเพราะว่ามันทำผิดจะอะไรจะบอกวอนี่เราเนี่ยยังไว่าอะไร เจอถ้าม <two> ันเข้าใจถูกปุ๊บมันก็หายเลยหายเลยจริงๆไปเจ้าป่ะมันไม่สบายแลวนอนตั้งนาน้วหายแล้วนอนก็อนก็นอนมากไม่มช่เห็นเห็นอยู่เราไม่เห็นอยู่นี้พอเราพูดุบันจะไปาการมันไปังเพราะว่ามัเป็นควมรู้คาการรู้การการเนมันจะไปฝังไม่ฝังก็เป็นปัาด้วันลองกินก่อนดูด อมันมันไม่สบายไงไม่มันก็ไม่สบายผมพูดเลยตุกแกแล้วอะไรก็ตุกแกแล้วทำเดี้ยวมันจะมันจะโทษมันก็โทษแหลกลานเลยเนี่ยโทษโทษโทษนี่แต่เราพระจะโทษแต่มันไม่ไม่ไม่เห็นตัวเองไม่โทษตัวเองเนี่ยความไม่เห็นตัวเองไม่โทษตัวเองมันก็เลยโทษแต่คนอื่นโทษแต่อาการโทษแต่สิ่งที่ถูกรู้ แล้วเราบอกว่าอาการเป็นสิ่งที่ถูกรู้ไอ้คนอื่นเก็นสิ่งที่ถูกรู้เราโทษคนอื่นแบบไม่โทษอาการเหมือนกันเนี่ยเราโทษตัวเองมาเราไม่โทษแต่อาการไม่เห็นไม่โทษตัวเองอะที่ไม่รู้ไม่เห็นตัวเองเราไม่โทษไม่เห็นตัวเองเป็นสิ่งแต่เราไปโทษคนอื่นแล้วก็โทษอาการเนี่ยคือกันนเพราะว่าตลาจะบอกว่ามันเป็นธรรมารมันเป็นมันเป็นอายัดนาภายนอกเหมือนกันไอ้รูปเนี่ยก็เป็นอายัดนะภายนอกเหมือนกันเราไปเห็นแล้วไปตำหนิเพ่งโทษเขาเนี่ยอันเนี้ย กับเราเห็นอาการแล้วเราโทษแต่อาการเนี่ยกูไม่สบายกูไม่สบายไม่รู้ยังไงไม่สบายเราไปโทษแต่อาการไม่สบายแต่เป็นเพราะว่าเราไม่รู้ไอตัวผู้รู้อาการเราเลยไม่สบายเราไม่รู้เราไม่รู้ตัวผู้ไปรู้เขาเลยเราไม่สบายลราไปโทูแต่เขาเนี่ยตรงนี้เนี่ยปัญหามันเหมือนกันปัญหาเปนอยางเดียวกันเพราะอะไมันเป็นอายะนะนะภายนอกกันเราุกอยางอธิบายว่า ไอ้ลูกก็เป็นอายะตนาเป็นออกเสียงก็เป็นอายตนาเป็นนอกป็นอกยินรถก็เป็นอายะตนาเป็นนอกห้าประตูเนี่ยไออาการพุกอย่างนี้แต่มันก็เป็นอายตนะภายนอกครับที่บอกเป็นอายะตนาภายนอกเพื่อให้เห็นว่ามันไม่ใช่ใจมันเป็นอายะตนะภายนอกแต่เราก็จะเอาเป็นใจอยู่ลนะใจกูกําลังไม่สบายเพราะเป็นใจกูก็เลยตัวกูเลยกูกําลังไม่สบายไม่รู้เรื่องไงกูเป็นโน่นกูเป็นนี่มันเลยเอาไอ้ทั้งใจเนี่ยมาเป็นกูเลยทั้งตัวเลย จบเหตุเร no right? like you know, like oh. ื่อนี้จะเราไปไหนกันตายอะอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็ก็ทีบบมต้องมาดูตัวเราผู้ไปดูอาการดูตัวเราผู้รู้ลูกก็ิดเสียงว่าให้ตัวเราเนี่ยมันคิดต่มันคิดต่ากับอาารเราคนที่โดนมันทำลายก็อยาป้งกันคนที่โดนทำลายอาการเัมืนั้นให้มันรู้ที่ตัวเราให้มัรู้ที่ตัวเราอะ เราคิดปรุงแต่งที่มันฝังสายอาการนัอย่างไรเราพอการปกติเราสบายเราคิดปุุงแต่งเก่กับอาการนั้นอย่างไรหรือเราไม่คิดปุุงแต่งเกี่ยวกับอาการนั้นแล้วเราไปคิดอะไรพางทีเราก็ไม่ได้คิดปุุงแต่งเกี่ยวกับอาการที่เราสบายเพราะว่าเราสบายแล้วพอเราสบายแล้วเราก็เลยไปคิดอะไร้ยเรื่อยแต่ความจริงอ่ะเราเนี่ยไม่ได้สนใจพอสบายให้สนใจไวยตัวเราเนี่ย ผูไ้ไปรู้ความคิดนั้นหรือตัวเราเนีมันไม่ไม่ได้คิดตรงแตกเกี่ยวกับอาการที่สบายแต่มันพอสบายแล้วมันก็จะไปคิดไปคิดเกิดจวกับอางนืนถ้าเราเนี่ยรู้แต่อาการที่สบายแต่เราไม่เห็นว่าตัวเราเนี่ยคิดตรงแตกอย่างไรกับอาการที่สบายอยู่ไปคิดอย่างอื่นแต่ส่วนใหญ่ถ้าสบายแนะจะไม่คิดเกืจะไม่คิดตรงแตกเกี่ยวกับอาการที่สบายพอ <c ười> อาการไม่สบายจริงจะงกัับกาคิดตรงแตกที่โดความสายที ไม่สบายแต่เวลาพอสบายแล้วก็คิดเพื่อเพินจเจริญใจไปไปในเรื่องอทั่วไปการที่เราเนี่ยเห็นเวลาพอสบายแล้วเนี่ยแล้วเราเนี่ยกไม่ไม่สนใจวเห็นผู้ไปตัวเราเนี่ยมันคิดอะไรปล่งแต่อะไรในกระดานมันเป็นโลหะเป็นความโกรธแล้วถ้าเราคิดปล่งแต่งไปในทางที่เป็นความโลภเป็นลาคะมันก็เป็นความโลภเป็นลาภคิดไป็นเปล่งแต่งในวความคิดใครจะไป ใ, ใจ ต่อมาต้องเป็นตัวใจแต่เนี้ยมันถ้ามันออกไปแล้วมันก็ต้องเป็นอะไรอย่างแน่ก็เป็นอะไรทุกอย่างก็ผลิตออกก็มันต้องเป็นมันต้องเป็นเป็นอะไรก็ต้องเป็นอะไรไม่เป็นความโลภเป็นราคะก็ต้องเป็นตัวใแต่ออกไปแล้วไม่เห็นเป็นโมหะเลยเป็นกีเลนตะ้ืทั้งร่องเลยตอนนี้ปัญหามันก็คือว่าเมื่อสบายใจแล้วมันก็จะไม่มาคิดปรุงแต่งตัวเราเนี่ยก็ไม่มาคิดปรุงแต่งตัวเลื อาการที่สบายใจแต่มันจะเป็นยึดปงแต่งสิ่งคนอื่นสิ่งอือเรื่องอดีเรื่องอนาคตดูห น, น, น, นัดนงดูละครเรื่อยเปื่อยเล่นหุ้นเล่นแชทเล่นไลน์เล่นเกมไปเรื่อยเฉยดูเฟซบุ๊เเเกเรื่อย Facebook, เฉยไปเลยก็แล้นนสบายใจแล้วอัจเซียมันส่งกิดออกข้อถ้ามันส่งกิดออกข้อไปหาความพอใจที่สบายใจ ใจอันนี้เขาเรียกว่ากิเลสปล่ายวัฏือเป็นลานมะแต่ถ้ามันออกไปหาสิ่ที่ไม่สนใจไม่พอใจไม่ได้อย่างใจยุ่งยากนานหรือไปวิาพาทวิจารณในสิ่งที่ไม่ชอบใจไม่กลูนใจอย่างเนี้ยอันเนี้มันเป็นโทสารมันเป็นฝ่ายโทสแต่มันออกไปแล้วเราไม่เห็นอันเนี้ยมันเป็นโมหะ พอเลยเป็นกิเล็กตั้งคืดทางล่องแล้วเวลาปฏิบัติสิ้นทุกตุวนิ้พาไปคือสิ้นกิเล็แต่เราปฏิบัติเนี่ยเป็นกิเล็กันขึ้นทางล่องคือตอนสบายใจไม่เห็นว่าตัวเราคิดอะไรแล้วพอตอนไม่สบายใจก็ไม่เห็นว่าตัวเราเนี่ยคิดอะไรโดยเฉพาะพอเกิดเจออาการที่มันไม่สบายมันเปนการเป็นกระแสเบียดเบียหัวคุดใส้โลกหงอก เป็นใจให้หายใจวุ่น <Jub> ป <ilee> ูใจสิ้เศร้าตอนเนี้มันจะไม่ไปคิดปรุงแต่งกันอีกแต่มันจะมาคิดนิดอีนิดผักใส่ทีปีทีประกาศนั่นแหละให้มันจะเด็นออกไปให้มันหายไปคุณกับให้มันหายไปคูรูทิลลำคานมันจะสบายมันไม่เห็นตัวเราเนี่ยไปคิดปูุงแต่งปูุ้งแต่งปูุงแต่งปงแต่งก็จัดการแต่อาการมาจัดเดี่ยวคิดลำคานว่าตัวเราไม่สบายว่าตัวเราไม่สบายตัวเราไม่สบาย แต่เราเนีไม่เห็นว่าอาการเนี่ยมันเป็นอาเจ้าคณะไอ้นอเพราะมันเป็นอาการที่ผู้รู้ให้เห็นตัวเรามันกวดเนี่ว่าอย่างไงมันคิดอย่างไงมันคนอย่างไงอนั่นไงเห็นตัวเราแล้วเราก็เราเราก็เห็นความแล้วเราก็สั่งแตไว้เดี๋ยวตัวเราก็ได้ไปปล่อยวางมันเป็นคนบุกับตัวเราไม่ได้ปล่อยวาตัวเราไี่เอาตัวเราไปปล่อยวางแต่ถ้าเราไปเห็นแต่อาการเนี่ยเราจะเอาตัวเราเนี่ยไปปล่อยวางอาการแตไม่ปล่อยวางตัวเราเนี่ยปุ๊บเนี่ยปุ๊เนี่ยเออเราจะ เราจะไปปล่อยวางแต่อาการแต่เราไม่ปล่อยวางตัวเราอย่างเนี้ยเราไปปล่อยวางอาจารย์คณะใครก็มันก็ไม่่ไมแตกต่างเลยกับเราไปปล่อยวางคนโน้นคนนี้แต่เราไม่ปล่อยวางตัวเราแต่พอวานี่ก็มีมามันเกิดเพื่อหัวเบื่อครอบครัวอยากมาอยู่มอมาอยู่วันจะได้ไหมอาจารย์จริงๆเป็นลิปพิธายานหรือเปล่าไอ้ชิ้นมันเบื่อเบือหยาบหยาเพื่อนเดี๋ยวัวมารับว่าตีใจกลับไปแีกล่ะไม่เอาแล้ไปเห็นละได้ ไม่ใช่เป็นนิพพานนิพพิเธอร์อะไรหรอกทีนี้เราต้องเห็นตัวเรานี่องเอาการอย่างไรเราเป็นตัวเราเลยไปพอเราไปเห็นลูกเราดีเสียปัตให้ตัวเราคิดคัวแตกอย่างไรตัวบิดมันตัวคิดตัวแตกกั่คคิดตัวแตกกับบิดมันต yeah, ัวคิดตัแต่กคูิดตัวแตกกับิดมานตัวคิดตัวแตกกับคูเร่องนี้เขาเรียกว่าต้องติตั้งที่ใจดูที่ใจนู้อยู่ที่ใจละอยู่ที่ใจตลอดเวลาจะไปลกอย่างคูจะไปละอาการ ในละที่ใจที่ไปรู้ออกตาออกตามมันตามมาหลายรอบแล้วยังยวกับไปยึดติดต อ, อใจนีใกล้กันนิดเดียว น, นะคะหลวงตามันเหมือนแบบอย่างท่ามูเราเหมือนเราเคยเข้าลึกลูกนั้นน่ะคือมันเหมือนแบบคือมันยากที่มันจะเหมือนเห็นว่าหลูกนั้นน่ะมันไม่ใช่อ่ะเหมือนเราจะเหมือนยึดไปว่าหลูกนั้นน่ะคือสิ่งที่ คือรู้รู้จริงๆงแล้วมันก็ลราบอกแล้วไงพัฒนาจิตใจบอกว่าใช่เนี่ยนายรีบมาหาเลยรีบมาหาหมอเลยรี่มาหาเราเลเนพราะ <c oughs> ออ่าถ้าเริ่มใช่เมื่อไร่แล้วไม่หาหมอได้แล้วไม่มีใชหร อ, อ, อ, อ, อกอดีตใช่ยึดบอดเพราะว่าใช่มไม่มีก็ไม่มีใช่แล้วไอ้ัวรู้เลยเขาเห็นัวเดียวอันนี้มันคิดที่ไม่เห็นไม่เห็นอย่างนี้มัน เราเห็นเราก็เห็นแล้วเราก็รู้มันก็มันอยู่คู่กันนี่ค่ะเราก็เห็นมาเนี่ยเนะ่ก็เนี่ยเน่ยเห็นเนี่ยเนี่ยไอผู้เห็นมันจะคิดเรื่อยไปพอเราไปเห็นวไปตัวเราคิดไอผู um so ้มาเห็นตัวใหม่มันก็คิดอีกอ่ะมาเห็นอยู่างเงี้ยก็เห็นเรื่อยไปไม่ไม่ถอนการเห็นการรู้การเห็นแล้วก็สัจธร่มรู้เห็นเรื่อยไปอ่ะเด็ก็ขาเห็นเขาเห็นเขาเห็นช้าะโหลกเขาเห็นตลอดสายเลยคะเห็นอะไรอ่ะมันไปเห็นแต่อาการไม่เห็นด้วเอง มาเนาการที่เกิดขึ้นทุกอาการจะไม่เห็นตัวเองผู้รู้การเไม่อยู่คู่กันผู้รู้ไงไอ้ผู้เห็นนี่ไม่อยู่คู่กันเลยได้ผู้รู้เนี่ยเป็นคนคิดพร้อมเป็นวิญญาณขานธ์เนี่ยมารู้แล้วเราก็คิดรู้แล้วก็คิดรู้แล้วก็คิดรู้แล้วคิดพราอมเป็นวิญญาณขานธ์มันเกิดมันเกิดดับภายนขณะจิตเดียวเดี๋ยวนั้นพอรู้เสร็จมันก็ส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวต่อไปส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวต่อไปมันต้องรู้ตั้งคิดตั้ง เพราะนี่นลูกกัคิดมันก็ิดกันไปเลยเน่ลูกกัคิดมันกติดกันไปอ่ะอ้ิดอย่ิดอย่กันมันยังผิดผิดูกถูกอยู่ยังไม่ร้อยเอ็ตอนนี้ถ้าถ้าเราเนี่ยปล่อยวางทั้งหมดอ่มันไม่หาผู้รู้หรอกเมื่อหาผู้รู้เนี่ยอันนีผิดแล้วมันมีแต่ปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางอ่ะเห็นไหยปล่อยวางก็งคือ เห็นสัก็เห็นไอ้ทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดเ่ยคือต้องปล่อยวางตัวเรานะฮมันจะไปปล่อยวางไอ้ไ้สิ่งที่ถูกรู้ปล่อยวางไอ้ทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ตลอดชีวิตแต่เราก็ปล่อยวางมนตลอดชีวิตมันจะไปปล่อยวางสิ่งที่ถูกรู้อาการที่ถูกรู้อาการมันจริงแย่อย่างไรมันก็ไม่ใช่ตัวเราผู้รู้อาการมันจะว่างอย่างไงมันก็ไม่ใช่ตัวเราผู้รู้จะไปหาว่าว่างจะไปหาผู้รู้นั่นอันนั้นแ่ละที่ ว่างหรือเพราะผู้รู้ให้ค่าเลยให้ค่ามันไม่ใช่อะไรนะให้ค่าเลยนะมันจะไปเอามันให้ค่าไม่จะไปใช่ใช่ถ้าให้ค่ามันไม่ใช่เราไปบอกว่าใช่ใช่ท้าให้ค่ามันไม่มีไปเอาอะไรหรอกก็ถูกต้องนะทีงเออแต่ถูกต้องเพราะว่า อะไรมันต้องเกิดในใจดับในใจเกิดในใจดับในใจทั้งนั้นแน่มันก็รู้ที่ใจนี่แน่เพราะมันเกิดดับอยู่ในใจอ่ะเพราะมันเกิดอะไรก็เกิดดับอยู่ในใจเนี่ยมันไม่ไปเกิดดับอยู่ข้างนอกหรอกตาเราเห็นอะไรมันก็มีภาวิจารณในใจหูได้ยินเสียงอะไรมันมีภาวิจารณในใจจมูกได้กลิ่นริ้นลดการนัำผัดอะไรก็มีภาพวิจาร์ในใจ มันก็เลยต้องสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจก็สติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจตลอดเวลาเลยไม่ใช่ว่ารู้เพื่ออาให้เป็นอะไรหรอกรู้เพื่อละรู้เพื่อละรู้เพื่อละไม่ได้รู้เพื่อให้เป็นอะไรเนี่ยเข้าใจยังไงไม่ใช่ว่ารู้ที่ใจแต่ก็ไม่รู้ว่ารู้อะไรแล้วรู้ทีใจแล้วรู้อะไรอ้าวไม่ถูกไม่เป็นคำไม่เป็นอีกรู้แต่รู้ที่ใจแต่แล้วรู้อะไรเนี่ยอย่างเงี้ยก็ถามอี รู้ไหมอ่ะตอนนี้รู้ที่ใจรู้อะไรรู้ไหมอ่าอันนี้อธิบัีเราอะไรเี่มันเกิดขึ้นเราดูใจเราอ่ะใจเราก็ะเพื่อมใจเราก็เพื่อเปล่าเราอ่ะใจเราเรายแล้วเราไปวิชาวิจารอะไรเข้าไปที่เปล่าเลยะไรก็แล้วเป็นไงรู้เราจะสดที่ใจเราอ่เราก็ไม่เป็นใจกัน เดี๋ยวนี้เราจะผิดวะเดี๋ยวจะไปสะกดจิตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอใจผิดนะพอใจผิดพอใจผิดเนี่ยเราฟังเขาดูว่าพอใจผิดไม่ยช่อย่ามีคําว่าไม่ไม่ไม่ไม่เขาไมแล้วสะกดจิตอย่ามีคําว่าไม่ตัดทิ้งเลยรู้แล้วมันต้องปรุงแต่งรู้แล้วมันต้องปรุงแต่งรู้แล้วมันต้องปรุงแต่งอย่าอย่าอย่ามีคําว่าไม่เป็นอันขาดให้ตัดทิ้งคําว่าไม่ เพราะว่าถ้ามีไม่ปุ๊บสะกดจิตทันทีเลยรู้แล้วไม่ให้ปรุงแต่งมีสะกดจิตตายเลยอย่างเงี้ย อ, อย่ามีคําว่าไม่แต่ต้องบอกว่ารู้แล้วมันต้องปรุงแต่งรู้แล้วมันต้องปรุงแต่งรู้แล้วมันต้องปรุงแต่งตลอดเวลาเลยเป็นทอดทๆกันไปตลอดเวลาแต่ให้ได้แก่แค่รู้มันจะปรุงแต่งไงก็ได้แต่แค่รู้ มันจะปุงแต่งยังไงก็ได้แต่แค่รู้ได้แต่แค่รู้ได้แต่แค่รู้ได้แต่แค่รู้เรื่อยไปอ่ อ, อย่างนี้เข้าใจไหมเอามาดูทาไมาอธิบายทำไมว่าไงแล้ ว, ลงงลวถึงนว่ามันจะปุงแต่งแต่ใจเราไม่จะเพื่อนอืมผิดแล้วเดี๋ยวมันก็เพื่อนก็นรู้ว่ามันก็เพื่อนอย่าไปหมายอะไรไหมนีย่ยมพี่เคมถ้าเราไปหมายเงี้ยตะกดจิตตายเลย ทำมันก็เพื่อมว่รู้มันก็เพื่อมมันปรุงแต่งก็ร่วมปรุงแต่งแค่รู้แค่รู้แค่รู้ไงไม่เข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เข้าใจอีกแล้วอย่าไม่เข้าใจเอาใหม่เอาใหม่เอาเอาใหม่เอาใหม่เห็แล้วก็รู้ว่าอันเนี้ยเราผิดลบแล้วมันก็ข้ามไปแต่ให้รู้ทันให้รู้ทันรู้ทันแล้วทําไมรู้ทัน ใจเราก็เป็นไม่เป็นโทสะไม่เกิดอารมณ์อะไรเอาอีกแล้วเดี๋ยวประเขตที่มันหมายผิดไว้ยังไงแก้ไม่ตกเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเด๋ยวเดี๋ยวเราบอกว่าคําว่าไม่เนี่ยต้องตัดทิ้งไม่เนี่ยต้องตัดทิ้งไม่มีคําว่าอย่าไม่มีคําว่าไม่ไม่กระเพื่อไม่ปรุงแต่งไม่มีไม่มีราคไม่มีโทสะไม่มีโมหะต้องตัดทิ้งนะคำว่าไม่เนี่ยไม่ตัดทิ้งหมดเลย คือมันเป็นอะไรก็มันเป็นอย่างที่มันไปเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราไปหามันไม่ทานหรอกคือมันทบปุ๊บมันเป็นอะไรก็คือเป็นอย่างที่มันเป็นอ่ะเราก็แค่รู้เราก็แค่รู้เราก็แค่รู้ตะพื้นตะพือพอรู้ใหม่มันก็ปรุงใหม่รู้ใหม่ก็ปรุงใหม่รู้ใหม่ก็ปรุงใหม่รู้ใหม่ก็ปรุงใหม่เรื่อยไปไม่มีที่จบสิ้นเราก็แค่รู้แค่รู้ไปตะพื้นตะพืออย่างเงี้ยเออถูกต้องถูกต้องตาหาเนี่ยขับรถเนี่ยโยงก็หลบหลุดอะไรเนี่ยมันมีรถคันแต่ปากนะครับ มันตายอเนี่ยตายอยู่ใจคิดจะรู้แค่ขับสต่อตัวรู้ใจคิดอะไรเนี่ยเช่นว่าใจไปคิดว่าไปด่าเขาเนี่ยแล้วไอ้ผู้รู้ตัวใหม่มันรู้ว่าใจเราไปด่าเขาไอ้ผู้รู้ตัวใหม่มันจะคิดมันก็ต้องคิดอีกมันคือมันต้องรู้แล้วคิดต้อนไปเรื่อยๆองนี้ยมันก็รู้ว่าเฮ้ยไปด่วงไปด่าเขาทำไมอันนี้ปรงแต่งไม่ใช่เหรออย่างเนี้ยไอ้ตัวใหม่ก็จะรู้อีกแล้วก็มารู้ไอ้ตัวใหม่อีกว่าที่มันรู้ว่า เอ้ยอ็งที่ไปว่าจิตอันแรกอ่ะว่าเอ็งก็ปรุงแต่งไม่ใช่เหรอเอ็งก็พุงแต่ง้วเนี่ยเอ็งก็ไปว่าเขาเอ็งก็ปุงแต่งเหมือนกันนะเนี่ยอ้าวเราก็ไปเห็นได้ตัวหลังเนี่ยไปรู้เขาแล้วก็เอ็งก็ว่าเขาเ่ยเอ็งถึงเอ็งไปว่าเขาเอ็งก็ปรุงแต่งอีกเราก็ปุงแต่งอีกแต่ไอผู้รู้ตัวหลังมันก็มาอีกถ้ามาเร็วจริงนะมันก็บรรู้อีกว่าเอ้ยไอที่เอ็งไปว่าตัวที่สองเนี่ยเอ็งก็ปุงแต่อีกเอ็งก็ไปว่าเขาอีกว่าเอ็งอ่ะเอเอ็งงี่ปอุแตก แต่ทุกคนเนี่ยทุกรู้เนี่ยไม่มีใครไม่ปรุงแต่งปรุงแต่งหมดเพราะมันจะต้องว่าว่าว่าแล้วพูดพูดพูอย่างเงี้ยไม่ว่าจะพูดดีพูดอะไรก็ปรุงแต่งมันจะไม่มีหลักที่รู้แล้วไม่ปรุงแต่งมันจะต้องปรุงแต่งปรุงแต่งอย่างซ้อนซ้อนซ้ไปเรายกตัวอย่างยกตัวอย่างอมีการนั่งมีพระนั่งสมาธิการเราไปแชร์เรื่องนี้กันไปในในในในหลายหลายหนเรื่องเนี้ยอมีพระนั่งสมาธิ พระจีนพระจีนน่งสมาธิแล้วก็บอกเข้ากรรมาฐานสามวันไม่พูดกันเข้ากรรมฐานสามวันไม่พูดกันพอเข้ากรรมฐานสามวันได้พูดกั น, อก น, าา น, นไน อ, นาานนไนอ้ลมกรพัดมาไอ้รอที่ดับหน้าต่างก็ยงเย่ยงเย่โยงเยงเ่ไอ้ลมกรตีพึบหน้าต่างเปิดไฟเทียนดับพระองค์ก็ตกใหญ่ฮึไฟดับแล้วลมแรง ไองค์ที่สองก็เลยว่าเรามาเข้ากรรมฐานสามวันไม่พูดกันทําไมทําไมพูดขึ้นมาเนี่ยไอ้องค์ที่สามเมเลยว่าอที่สองไอ้องค์ที่ไอ้องค์ที่สองนี่คือมันรู้อ่ะรู้แล้วก็พอรู้ปุ๊บก็ว่ายองค์ที่หนึ่งว่าเรามาเข้ากรรมฐานสามวันทําไมจึงพูดไหนนึกว่ากรรมฐานในห้องกรรมฐานไม่ห้ามพูดไอ้องค์ที่สองก็เลยไปว่าองค์ที่หนึ่งว่าพูดทําไมปิดกฎ ไอ้องที่สามก็เลยว่าองค์ที่สององค์ที่สามเนี่ยก็คือมารู้ก็คือวิญญาณทหารเนี่ยมารู้ตัวใหม่มารู้มารู้ไอ้องค์ที่สองบอกไอ้ที่เองไปว่าเขาเนี่ยเองก็พูดนะเนี่ยไม่รู้ตัวหรือไงไอ้องค์ที่สี่อ่ะพอมาเห็นองค์ที่สามไปว่าเขาแล้วไม่รู้ตัวไอ้องค์ที่สี่มารู้นี่ยคือไอ้ผู้รู้ตัวใหม่ผู้รู้เนี่ยมารู้แล้วต้องคิดรู้แล้วต้องคิดเรืยไปไอ้องค์ที่สี่ก็อะไรมาว่าไอ้องที่สามว่า เองไปว่าเขาเนี่ยเองก็ไม่รู้ตัวแล้วเนี่ยว่าเองไม่พูดไอ้องค์ที่สี่เนี่ยก็พูดเป็นมูกินหางอันหนึ่งเนี่ยไม่รู้จบเข้าใจไหมเนี่ยเพราะไม่มีหรอกไอ้ตัวไหนที่รู้แล้วไม่พูดรู้แล้วไม่พูดรู้ไม่พูดรู้ไม่พูดเราต้องตั้งสมมติฐานเลยว่ามันต้องรู้แล้วมันต้องวิาพากษ์วิจาร์รู้แล้วต้องคิดรู้ต้องพูดเราจะคิดดีคิดชั่วก็ต้องพูดจังนั้นเนี่แต่ให้เห็นเนี่ย ไอ้องที่สองอองค์ที <Con> <moi> <wers> ่สามมันพูดก็เห็นองค์ที่สมพอองค์ที่สี่มันพูดก็เห็นองค์ที่สี่คือไอ้ผู้รู้เนี่ยที่มันเกิดตัวใหม่มารู้อันที่สองไอ้ที่สามมาเกิดรู้วันที่สองไอ้ที่สี่มารู้วันที่สามมันรู้ทุกตัวมันพูดทุกตัวไม่ว่าจะพูดดีพูดไปดีมันจะพูดทุกตัวเขเรียกว่าคิดมุมแต่งให้มันรู้ไอ้ตัวใหม่รู้ที่องค์ใหม่ที่กำลังพูดทุกตัวแล้วนี๋โยกเข่าเขียตผิดยังไงลุงเนี่ยจะไปตัดจะไปตัดให้องค์ไหนอะไม่ยอม โดนไม่เข้าใจตัดโดยไม่เข้าใจอตัดเนีนยถ้ามันไม่พูดก็รู้ว่ามันไม่พูดขึ้นเองก็แค่นั้นแหละแต่นี้พอไปไปตัดต่อห้ามไม่ให้พูดตอนนี้ก็ไปอึดอึดอึดอยู่ข้างในเข้าใจไหมเนี่ยเนี่ยคือสะกดจิตที่เราว่ามานานแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าอะไรคือสะกดจิตเพราะเราไม่เข้าใจเพราะเราก็าจะผิดต้องจําไอ้เรื่องเนี้ยไอ้เรื่องเนี้ยเราแชร์กัน ไ, ไปเป็นในหนังแต่คงไม่ไปดูกัน เราแชร์เข้าไปเนี่ยไอ้เรื่องนี้ยดีมากเลยเพราะว่าไอ้องค์ที่หนึ่งมันก็พูดพอเสร็จแล้วเอ้ยทำไมไฟดับอะอยใครมันจะไม่จุดไฟเนี่ยอไอ้องค์ที่สองก็พูดอยู่แล้วนี่เปนห้องกรรมฐานนะเนี่ยพูดทําไมเนี่ยไอ้องค์ที่สามก็คือไอ้ไอ้เราตัวเนี่ยผู้รู้อันที่สามมื่อจะเกิดมาแล้วก็มารู้ไอ้องค์ที่สองพูดและไอ้ผู้รู้ที่สามก็พูด ไอ้ที่เองพูดว่าเขาเนี่ยแล้วเองไม่พูดเหรอไอ้องที่สี่ใกล้ผู้รู้อันที่สี่มันจะรู้สอนอย่างนี้แนี่แล้วมาเห็นไอ้องที่สามมาว่า้องที่สามถืว่าไอ้ที่มึงไปว่าเขามึงไม่พูดเหรอเนี่ยเออกูก็พูดดีกว่าเนี่ยเออกูก็พูดดีกว่านี่อ้าวเอออย่างนี้เนี่ยตอนเนี้ยสุดท้ายยี่งบอกอ้าวอย่างนี้กูก็เป็นคนพูดดีกว่าเนี่ยเรามีปัญญาแล้วเอาอะไรอย่างเนี้ย มันเริ่มเห็นตัวเองจะได้네เริ่มมีปัญญาเลยทุกท่านเริ่มมีปัญญาแต่ไอ้ที่พูดไปแล้วไม่มีปัญญาแต่มันไม่ใช่เหลียวใจว่าอุ้ยเอา้ากูก็พูดเหมือนกันดีกว่านี่ยพราะเป็นตัวสุดท้ายแล้วไนงะไอ้ตัวทีท่สี T นะ่คือองคุตชีสี่นะคือองคุสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นไอ้องคุสุดท้ายเลยเกิดปรรัญญาแต่ปัญญาพูดไปก่อนแล้วหลงไปก่อนแล้วมารู้ที่หลังมันต้องอย่างงั้นแหละคือต้องหลงไปก่อนแล้วมารู้ที่หลังเออไอ้ผู้รู้เนี่ยมันต้องหลงไปก่อนแล้วมารู้ที่หลังอุ้ยเอ้ากูก็พูดดีววว่่าเนนย้ลลแตมมัััะ เออไอ้ที่มันรู้ว่าตัวมันปรุงแต่งไอนี่แน่เป็นปัญญาปัญญาเนี่ยไม่ใช่ว่ารู้รู้ตัวปรุงแต่งตัวหน้าไปเห็นตัวปรุงแต่งตัวหน้าแต่กลับมาเห็นตัวปรุงแต่งตัวหลังที่ตัวเองเนี่ยจึงหลุดพ้นจากตัวเองพอหลุดพ้นจากตัวเองปุ๊บเลยเป็นวิสังขารเลยตอนนี้ แต่ท่าเราเนี่ยไปรู้เห็นแต่ไอตัวพุงแต่ตัวหน้ามันก็เท่ากับไปเห็นแต่องค์ที่ไอองค์ที่หนึ่งพูดไอองค์ที่สองก็ไปพูดเห็นไอองค์ที่สามหรืสาไปพูดองค์ที่สองมันไปเห็นแต่คนอื่นก็พูดคือไปเห็นไอไตัวพูดตัวหน้าแต่มันมีปัญญาเฉลยวใจที่ว่าไอที่กูเนี่ยตอไอกูก็ประสมไปทุกที่ทุกตัวเลยเนี่ยเออกูก็เป็นไปเป็นค้ำกันดีว่าเนี่ยเออคนพูดไปแล้วมื่อไร่เออไอเออเนี่ยปัญญามาแล้วตอนเนี้ยปัญญามาแล้วเพราะอะไต่อไปอ่ะ มันก็จะไม่หลงไปหลงไปเหมือนเขาคือใครจะพูดยังไงใครจะปรุงแต่งผิดปรุปงแต่งถูกหึืจะเข้ากรรมาถามจะพูดยังไงแต่ตัวเองอ่ะไม่เคยขาดสติไปหลงปรุงแต่งกับเขาเลยคือไม่เคยหลงขาดสติหลงไปปรุงแต่งกับตัวอื่นเลยไ อ, ไอ้ผู้รู้เนี่ย ม, มันธรรมชาติของวิญญาณาขันธ์เนี่ยมารู้อะไรก็ต้องปรุงแต่งทุกตัวก็เหมือนกับพระในห้องนั้นเน่ะทุกคนพูดหมดแต่ตัวที่มาเออที่หลังเนี่ย มันจะไม่เป็นคนที่พูดตลอดไปแล้วกัแต่แต่ทุกคนในห้องนั้นก็พูดในหยุดตลอดเวลาจนกว่าจะตายแต่มันเนี่ยจะเป็นคนไม่พูดอยู่คนเดียวด้วยความรู้ตัวไม่ใช่ว่าสะกดไว้มันเลยเป็นวิสังขารที่ดับเอาวิชามันตัวเดียวที่เป็นวิชาคือปล่อยวางหือเห็นตัวเรา เขาใจไมเข้าใจฮะเออแต่ตอนนี้เราพอพอพอจะเป็นไิดอะไรที่มันไม่รู้จักคถือผาผ้าแล้วงาารามีเฉพาะแบบแบบแบบแบเป็นสัญญาณทีว่าชอบ เพอะไรเพราะว่าถึงจะเราไปสะกดอย่งไรถึงยายามแก้ไงก็ตามแต่เรายังไม่เข้าใจฟังให้เข้าใจยังไงก็ต้องสะกดเหมือนกันอย่าเราก็ว่าตั้งนั้นแล้วมันสะกดแล้วทาไมตสะกดแล้วก็ว่าเก๋ว่าอะไรเพาะมันจะสะกดอยู่ข้างในแล้วก็ความไม่เข้าใจตรงเนี้เนี่เก๋ยังสะกดอยู่เนี่ยนี่ก็ตอนนี้ยังสะกดเนี่ยตอนนี้ก็ยังสะกดเนี่ยเห็นตอนนั่งแต่น้าเราเรายังเห็นเราอยสะกดอยู่ขงนสะกดอยู่ข้างในสะกดอะไรสะกดเพื่อจะไม่ให้ตัวเราปรุงแต่ง อันนี้ส ก, กัดผิดนะเนี่ยอันนี้ผิดนะเนี่ยคือเข้าใจผิดเลยแล้วเราถ้าไม่เข้าใจให้ถูกแล้วจะจะปฏิบัติผิดตลอดคือไปสะกดเพื่อมาย่างไม่ให้เราเนี่ยปรงแต่งนี่เข้าใจผิดฟ้ากับดินเลยเราบอกแล้วว่าให้ตั้งหลุดฐานว่าเราเนี่ยปรงแต่งตลอดแต่ไม่มีเราที่ไม่ปรงแต่งแต่เห็นตัวเราปรุงแต่งว่าจะไม่เนี่ย คือให้ตั้งรูปที่ฐานไว้เลยว่าเราเนี่ยรู้อะไรต้องปรุงแต่งตลอดเวลาที่จะไม่ปรุงแต่งไม่มีแต่ให้รู้เนี่ยรู้ว่าตัวเราเนี่ยปรุงแต่งตัวเราปรุงแต่งไปเห็นมันอยู่เรื่อยๆเห็นอยู่เรื่อยๆแล้วรายการเป็นผู้เห็นแต่ตัวเราเป็นผู้ปรุงแต่งตัวเราเป็นผู้เห็นแต่ไม่ใช่ว่าไปพยายามให้ตัวเราเนี่ยไม่ปรุงแต่งอันนี้ผิดอย่นี้ตะกนจิตอยู่เนี่ยตะกนจิตคือไปพยายามบังคับให้ตัวเราไม่ปรุงแต่งมันฟงังฟังรับผิดนี่ก็ยังผิดอยู่นี่ก็ยังผิดนีขนาดฟัง้วยังผิดอยู่เนี่ย ผิดเขาผิดแล้วมันเป็นไงอากาศข้างในมันมีการแอคชั่นการทำของการทาให้มันนิ่งนี่คือผิดเห็นหนีน้ชัดเลยข้างในเนี่ยแต่ข้างนอกมองไม่ออกเลยข้างในอย่างเงี้ยไอ้นมก็เป็นนะเป็นนั้น คือมันไปเดินครับก็จะผิดจุดจะไปบังคับให้ตัวเราเนี่ยไม่ปรุงแต่งฟังฟังแล้วก็ฟังผิดคือมันต้องตั้งสมมติฐานว่าเราเนี่ยคือตัวปรุงแต่งเราเนี่ยเป็นตัวหันห้าเราในทั้งตัวเนี่ยปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งไอเราทั้งตัวเนี่ยทั้งร่ากายจิตใจพั้งไอผู้รู้เนี่ยเป็นตัวปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งมันเป็นธรรมชาตินะความปรุงแต่งนั้นเป็นธรรมชาติไปปรุงแต่งมันมีธรรมชาติสองธรรมชาติคือธรรมชาติไปปรุงแต่งกับธรรมชาติของปัญญาผู้รู้แจ้ง ที่ไม่หลงไปตามตัวเราที่ปรุงแต่งนี่ยเป็นธรรมชาติของปัญญาผู้รู้แจง้งเดียวกับพุท ธ, ธะพุท ธ, ธะเนี่ยเป็นธรรมชาติของปัญญาผู้รู้แจง้งจึงเป็นพุท ธ, ธะพุท ธ, ธะมีอยู่ในแลในทุกคนในสัตจจะฉาญในพุทธเจ้าในพระหลา น, นธธา veis, เป็นพุท ธ, ธะเหมือนกันหมดคือมันเป็นปัญญาผู้ที่รู้แจง้งรู้แจ้งอะไรรู้แจ้งตัวเรานี่นยว่าตัวเราเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งทงั้งร่างกายทั้งจิตใจทั้งขันห้าทั้งวิญญาตขันเนี่ย มันเลยต้องรู horas, hmm. un, ้ต้องคิดต mm ้องรู้ต้องคิดคิดดีบ้างคิดชั่วบ้างคิดไปกลางๆบ้างคิดดีคิดชั่วคิดเปลี่ยนการมันต้องคิดตลอดเวลาต้องปรุงตลอดเวลาไม่ปรุงไม่มีอืนี่คือเรียกว่าธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งอีกอันนึงมันเป็นธรรมชาติที่เป็นพุทธะคือเป็นธรรมชาติที่มันเนี่ยมาเห็นไอ้ไอ้ไอ้ธรรมชาติไอ้ตัวเราที่เป็นขันธ์หาเนี่ยเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งโดยทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเข้าใจและไม่หลงไปกับมันไม่หลงไปกับไป็ตัวขันธ์ห้านี่ เขาเรียกว่าสิ้นหลงก็เลยเรียกว่าสิ้นอวิชาเขาจึงเรียกว่าพุทธะผู้รู้แจ้งผู้และรู้แจ้งเนี่ยไม่ได้ว่าผู้ไปรู้อาการนะคนละเรื่องกันไอ้ผู้รู้แจ้งเนี่ยที่เขาเรียกผู้รู้เล่มันไม่ใช่ผู้ไปรู้อาการไอ้ผู้รู้ตามธรรมชาติผู้รู้ที่เป็นพุทธะเนี่ยหรือว่าธรรมธาตุหรือว่าธาตุรู้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าผู้ไปรู้อาการแต่มันเป็นผู้รู้แจ้งผู้รู้พนจากสังขารทั้งปวง มันไม่ใช่พอผู้ไปรู้อาการรู้พ้นก็คือสังขารปล่อยก็สังขารไปขันห้ามยังไม่ตายแต่ผู้รู้พ้นจากขันห้ารู้พ้นจากสังขารตัวมันเนี่ยไม่เข้าไปยึดสังขารมึงพูดกับพูดไปไอตัวขันห้ามเนี่ยมึงเห็นอะไรมึงรู้อะไรมันกับพูดไปคิดไปแต่มันก็ไม่มันน่ะรู้พ้นนะคือมันไม่ไปมันไม่ไม่ไปไปไปสองอย่างไม่สองอย่างคือไม่ไปติดไปกับมันไม่ไปเป็นผู้กรุงแต่งสังขารซะเองหรือก็ ไม่ไปเป็นจรจรห้ามมันคอยห้ามเบรคมันไว้ให้ตัวเราไม่ปรุงแต่งตัวเราไม่ปรุงแต่งอย่างนี้มันยึดมันเข้าใจผิดว่าขันห้าคือตัวเราตัวเราคือขังห้านี้เราจะพยายามให้มันไม่ปรุงแต่งเพราะมันเป็นธรรมชาติไปปรุงแต่งธรรมชาติที่ปรุงแต่งไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วเราไม่ใช่ว่าเข้าใจผิดว่าเอาเราไปพยายามทําให้เราไม่ปรุงแต่ง เมื่อเราเนี่ยพยายามทำให้ตัวเราเป็นปรุงแต่งมันก็คือปรุงแต่งอยู่แหละความไม่ปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นธรรมชาติก็บอกแล้วมันเป็นธรรมชาติไม่ใช่ป่ะเราเนี่ยพยายามไปทําให้ตัวเราเนี่ยไม่ปุ้งแต่งเพื่อให้เราเนี่ยพยายามพ้นจากความปรุงแต่งอันนี้มันกับปรุงแต่งซ่อมปรุงแต่งก็จะผิดว่าอะไรหมดเลยก็จะผิดว่าไอ้ความปรุงแต่งเป็นเนี่ย มันเป็นตัวเราตอนแรกแล้วเราก็อยากจะให้พ้นหลุดพ้นจากตัวตัวเราไปผู้ปรุงแต่งเลยกลายเป็นตัวเราไปเป็นสังขารลอยเปอีกตัวหนึ่งแล้วเป็นปรุงแต่งอยู่ดี่ตัวไอตัวลอยออกไปเพื่อให้มันเนี่ยไม่ปรุงแต่งแล้วเราเข้าใจผีว่าตัวเราเนี่ยจะได้หลุดพ้นจากไอตัวสังขารคือตัวขันห้าแล้วกลายเป็นเป็นตัวไม่ปรุงแต่งโอ้ยไปกันใหญ่เลยอันเนี้ยมันไอตัวไม่ปรุงแต่งมันเป็นธรรมชาติ เราจะไปปรุงแต่งให้มันในเกมพยายามไปปรุงแต่งทาให้มันไม่ปรุงแต่งให้ตัวเราไม่ปรุงแต่งเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจเออเนี่ยเราพยายามจะพิมพ์ตั้งแต่เมื่อคืนมาเช้าจะพยายามพิมพ์ในตรงนี้เนี่ยพิมพ์นั่นมันเข้าใจอย่างเนี้ยแต่เวลาพิมพ์ก็พูดไม่เหมือนกันไอพูดมันพูดได้ยาวไอพิมพ์มันมันจะบอพิมพ์ยาวอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยมันมันเยอะเยอะ นี่เราพิมมันไม่เป็นอย่างที่เราพูดอย่างนี้นะเนี่ยเราพิมออกมาเนี่ยเป็จานมันมันคือมันจะพิมตรงนี้เนี่ยเนี่ยแต่ถ้าเราพอฟังเราพูดกระจายแล้วกลับไปอ่านเนี่ยมันตรงเนี้ยมันเข้าใจเลยตอนแรกอะถ้าไปฟังเราพูดตรงเนี้ยอ่านตรงที่เราพิมไปส่งไปก็ไม่เข้าใจอะมันก็ได้แต่แค่อ่านจำได้อะไรเป็นอะไรไม่เข้าใจอะรแต่จริงจริงมันไม่เข้าใจเวลาปฏิบัติผิดอันที่เราปฏิบัติผิดเพราะเราไม่เข้าใจ ไม่ใช่ว่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแต่ไปปฏิบัติผิดไม่ใช่ยให้คนละเรื่องกันไม่ได้บอกเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแต่ตอนเวลาไปปฏิบัติถ้าผิดไอ้นี่มันคือเขาไม่เข้าใจมาได้ความมั่นใจผูกแน่นอนว่าขาวว่าขาว่าเขาวเน่เน่เน่เป็นพระองค์ที่สองที่สามแล้วเนี่ยนี่เป็นพระองค์ที่สองที่สามแล้วเนี่ยไอ้ยางเงี้ยหลงปรุงแต่งไปอ้ทีก็ไปหลงปรุงแต่งสักกอดไม่ปรุงแต่ง แต่เวลาปรุงแต่งเนี่ยคือปรุงแต่งไอเว่าเข้าเดไม่ว่านมเนียเนียกกลายเป็นพระที่ว่ากันแต่ละอแล้วโอแล้วก็หลงไปตัวเองก็ว่าก็เราไม่รู้นี่นี่ความไม่รู้อยู่ตรงนี้เห็นไหนี่แล้วก็เสร็จแล้วก็นี่ผิดหนึ่งผิดหนึ่งเดนบางทีก็ไปว่าเข้บอกว่าไอ้กลังพูดกลังทำเดนไปพูดเล่นเือว่าเขาเสียหายเพราะว่ามันทาให้ขาดตอนอันนี้ไปว่าเาอี ไอเนี่ยมันจะเหมือนกับเพราองค์ที่ไปว่าองค์ที่สองค์ที่สามที่สี่ไปเลือดอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยไม่รูตัวอย่างเงี้ยอย่างงี้คนทุกไม่ได้ปฏิบัติงานไม่เป็นทุกแต่พอไม่เข้าใจต้อถามก็เลยไม่เข้าใจเลยตัวนี้เป็นกรรมเลยตัวนี้ตอนนี้ก็พอเสียงปุ๊บเขาหยุดพูดว่าเขาสักคนอย่างเงี้ยไอนี่มึงไปคนละเรื่องเลยไอตอนแรกก็เวลาไปปรุงแต่งว่าเขาไม่ก็ไม่รู้ตัวอีกแต่แล้วพอเลิกว่าเขา ก็ไม่รู้ตัวเองไอ้ที่ปรุงอะพยายามมาปรุงให้ตัวเองไม่ปรุงแต่งมันคือการล่องเลยนเนี่ยก็ยอย่างงี้ไะเข้าใจยังไงวันแล้วจะปล่อยวางตัวเราได้ไงคือปล่อยวาง่างนี้เนีไงอ ย, าย่าพยายามไปคิดไปปล่อยวางตัวเราไปคิดพยายามไปปล่อยวางตัวเราเนี่ยมันจะมีตัวเราออกไปตัวหนึ่งซ้อนไปเรื่อยๆไม่มีที่จบสิ้นหรอกปล่อยให้ตายเถอะแต่เราไปคิดปล่อยวางตัวเรามันจะมี ไอตัวเราเหลือออกไว้นอกตัวเราทุกทียก <us sell> s> <S อยากคิดปล่อยว่าตัวเราเออเพียงแต่เห็นว่าตัวเราในปรุงแต่งเห็นว่าปุงแต่งที่ตัวเราหรือตัวเราได้ไยเป็นพวกปรุงแต่งแล้วก็เห็นมันไปแล้วก็สักแต่ว่าเอ็นสักาเห็นตามมคือต่ก็เห็นมาถึงว่ามันเป็นธรรมชาติที่มันเป็นธรรมชาติมันจะต้องรู้ไปอย่างนั้นแน่เออมันไม่ได้เป็นธรรมชาติคือต้องมาลุ้นความปรุงแต่งมันเป็นธรรมชาติฝ่ายมันรู้ความปรุงแต่งเพราะไอไอธรรมชาติเนี่ยมันรู้่ เออไอ้ที่มันปรุงแต่งตัวมันเนี่ยไอ้ตัวมันเนี่ยมันธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเขาจึงเรียกว่ารู้พ้นจากสังขารคือความปรุงแต่งอันเนี้ยตรงนี้พอไปใช้คําว่าหลุดพ้นมันก็เลยพยายามจะเอาตัวเราไปหลุดพ้นมันไม่มีใครหลุดพ้นอะไรหรอกเออมันคือมันมีอยู่แล้วในตัวเราเนี่ยสองอย่างคือมันมีธรรมชาติไปปรุงแต่งกับธรรมชาติไปไม่ปรุงแต่งอยู่ในตัวเราเนี่ยแน่มันมีอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นมัน เออความไม่เห็นมานเราเลยหลงไปเป็นธรรมชาติไปปรุงแต่งเขาเลยเรียกว่าอวิชามันมีอยู่แล้วนะธรรมชาติไปไม่ปรุงแต่งเนี่ยไอธรรมชาติที่เป็นพุทธะที่มันพูดรู้แจ้งเนี่ยมันม่อยู่แล้วที่มันไม่ปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นอยู่แล้วในธรรมชาติมันมันเป็นธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมชาติรู้หรือรู้ที่เป็นธรรมชาติหรือเรียกว่าลวงตามหาโบเรียกว่าธรรมชาติแต่หลวงปู่ดูลหรือหนังพระเจ้ามหาสัตร์ราเรียกว่าพุทธะ พุทธะมันแปลว่าผู้รู้แจ้งรู้คนรู้มายึดอะไรรู้ตามความเป็นจริงอันนี้เป็นธรรมชาติอีกอันหนึ่งที่มันเนี่ยมันไปรู้ยึดอะไรไม่ได้ก็เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่มันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีเครื่องมือไม่มีกริยาการใดๆเลยมันจะมายึดอะไรไม่ได้ปล่อยอะไรไม่ได้มันทั้งยึดก็ไม่ได้ปล่อยก็ไม่ได้มันเป็นธรรมชาติที่ได้แต่รู้ไม่ใช่เอาตัวเราไปรู้ ไอที่เราต้องไปรู้เนี่ยหรือบอกว่าให้เห็นทำไมต้องมาเห็นตัวเราก็ไอที่ไอตัวเราไปรู้มันเป็นขันห้าทั้งหมดมันเป็นวิญญาณขันเป็นขนันห้ามันจะแ่บเอาตัวเราไปยาไปรู้แล้วให้ตัวเราเนี่ยไม่ปรุงแต่งตอนี้มันจะเป็นไหเกตัวนี้คือพยายามว่าตัวเราไปรู้แล้วก็ให้ตัวเราไม่ปรุงแต่งไอที่เอาตัวเราไปรู้เนี่ยมันเป็นขนันห้ามันเป็นตัวปรุงแต่งแลว้วพยายามจะไปทําให้ขนันห้าเนี่ยไม่ให้ปรุงแต่งแต่ธรรมชาติของขันห้าก็คือกว่าปรุงแต่งแล้วเราจะไปทํำยังไงคือทําให้ไอาขันห้าไม่ปรุงแต่ง เพ่าธรรมชาติของขันห้ามันคือความปรุงแต่งการที่มืลาเราเอาตัวเราเนี่ยเป็คนไปรู้ซะแย่ไอ้ที่ตัวเราไปรู้อะมันเป็นวิญญาณขันหัมันเป็นวิญญาณขันหัคือมันไปรู้อาการวิญญาณขันหันคือไปรู้ตามช่องทวารคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเออตอนนี้ไอ้ที่เราไปรู้อาการเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราแล้วมันเป็นวิญญาณขันหันเพราะบอกมันไปรู้ทางช่องทวารประตูใจมันก็เป็นสังขารเพราะวิญญาณขันหัมันเป็นสังขารไม่ขันห้า ความบนทีอะไรไม่เข้าใจเนี่ยผิดตัวตัวเนี่ยมันก็เลยเอาตัวเราเนี่ยไปเป็นขันห้าเพราะว่าไม่รู้อะไรไอ้ที่เราไปรู้อาการรู้อาการเนี่ยมันคือรู้ทางประตูใจคือวิญญาณขันก็เรียกว่ามโนวิญญาณมันเป็นขันห้านี่ขันห้ามันเป็นตัวปรุงแต่งพอเราก็ใจผิดว่าพอเอาตัวเราไปรู้ตอนนี้มันก็เลยผิดหลายต่อแล้วหนึ่งเอาตัวเราไปรู้เสร็จปุ๊บ สองไอตัวเราพุ่งไปรู้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันคือขาน่ามันปรุงแต่งเอาตัวเราไปรู้คืออะไรเพราะว่าอะไรทำไมเอาตัวเราไปรู้มันเป็นขาน่าล่ก็มันรู้ตามอาการนะรู้ตามถาวรน่ะรู้รู้เสียงรู้กินรู้รสรู้ทําอารมณ์รู้สิ่งที่มันตัอผัสกายรู้ทําอารมณ์รู้อาการเนี่ยมันรู้ตามภาวารถ้าเราไม่รู้อาการเนี่ยมันรู้ตามภาวรคือประตูรู้ตามประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจไอเนี่ยมันเป็นวิญญาณขันมันเป็นวิญญาณขันที่มันรู้ตาม ประตูตาหูจมูกอินใจใจรู้ตามทวารถ้ารู้ตามทวารเนี่ยมันเป็นวิญญาณนับขันนี่กันนาะแต่เราไปเอาให้ไอ้ตัวเราไปเป็นรู้จะรู้เอาตัวเราจะเป็นเป็นรู้ตามอาการเอาตัวเราไปรู้รูปเอาตัวเราไปรู้เสียงเอาตัวเราไปรู้กลิ่นเอาตัวเราไปรู้รสเอาตัวเราไปรู้สิ่งที่มาสัมผัสเอาตัวเราไปรู้อาการแม้แต่อาการโป่งโลกเบาสบายว่างวนิ่งนิ่ ง, งเฉยเฉยอาการไม่ป่งไม่โลก ไ, ไม่เมมบาไม่ว่างไม่นิ่งไม่เฉยพุ้งซ่านยังไงก็ตาม อันนี you, ้มันเป็นวิญญาณขันเพราะว่ามันไปรู้ตามช่องถาวคือรู้ทางประตูใจเขาเลยเรียกว่าวิญญาณขันเพราะวิญญาณขันเนี่ยมันเกิดมารู้ตามวาวทั้งหกประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้ารู้ทางประตูตาเขาเรียกว่าจักษุวิญญาณรู้ทางประตูหูเรียกว่าโสตะวิญญาณรู้ทางประตูจมูกเรียกว่าฐานะวิญญาณรู้ทางประตูลิ้นเรียกว่าชิวหาวิญญาณ รู้ทางประตูกายเรียกว่ากายยกวิญญาณรู้สิ่งที่มาสัมผัสกับกายเรียกว่ายักษ์วิญญาณรู้ทางประตูใจรู้อาการเนี่ยไม่ว่าจะอาการที่ถูกใจไม่ถูกใจโปงโรคเบาสบายนี่งว่างเฉยมไม่โปรงไม่โรคไม่เบาไม่ว่างอันเนี้ยรู้ทางประตูใจเขาเรียกว่ามโนทวารอันเนี้มันเป็นขันหามันเป็นวิ ญ, ญญาณหลักขันมันเป็นมันเรียกว่ามโนวิญญาณเนี่ยมโนวิญญาณ แล้ววิญญาณตั้งแต่จักรสุวิญญาณมาถึงมโนวิญญาณเนี่ยมันเป็นขันธ์คนจึงเรียกว่าวิญญาณวิญญาณต่อทายแต่นี้วิญญาณเนี่ยเขาเลยมาประกอบกับการเห็นทางไหนเขาเลยเรียกเรียกตามชื่อมันคือวิญญาณเนี่ยมารู้รู้ต่างๆาเขาเลยเรียกชื่อว่าจักรสุวิญญาณจักรสุนวตาพอวิญญาณในขันธ์หน้ามันเกิดมาลุรู้เสียงทางหูเขาเลยเรียกโสตวิญญาณเขาเอาไอ้ไอ้ไวานเนี่ยมาประกบมันพอมารู้นทางจมูกเขาเลยเรียกว่าฐานะวิญญาณพอมารู้นทางลิ้นเขาเรียกว่เรียกว ไอประตูเนี่ยประกอบกับไอวิญ ญ, ญญาณในขันห้าเลยเรียกว่าเอาชื่อมาไปรวมกันคิวหาวิ ญ, ญญาณพอมารู้ทางประตูกายคือมารู้สิ่งที่มาต้อผ่ากายเขา เ, เรียกว่ากายะวิญญาณพอมารู้ทางประตูใจเขาเลยเรียกมโนวิญญาณเพราะใจมันเป็นมโนเนี่ยเขาเลยเอามาประกอบกันวโนกับวิญญาณรู้สากเอาประตูเอาชื่อประตูมาบวกกับวิ ญ, ญญาณในขันห้าแล้วพอรู้เสร็จจะรักไปมันรู้ก็รักรู้ก็รัก็ได้ถูกไอรู้เนี่ยไม่เยอะ เราไม่ทาไปทํากิยาการล้ะคือมันเป็นธรรมชาติการรับรู้ของทางเทวานของขันห้ามันเป็นธรรมชาติเวลาวิญญาณาขันเนี่ยวิญญาณาขันเนี่ยขันห้าเนี่ยพอ ม, มันไปรู้ทางประตูเนี่ยประตูตาหูจมูกนิ้นไก่ใจขึ้นไปรู้รูปเสียงกินรสพศะจะิตสมาติผัดกายแล้วรู้อารมณ์ก็คือรู้อาการเนี่ยรู้อาการทางประตูใจเนี่ย ไอ้วิญญาณขันเนี่ยพอมันไปรู้เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วมันก็จะต้องตับบันทีเพื่ออะไรเพื่อมันจะไปรู้เวทนาเพราะว่าพอไปรู้อะไรพุ๊มันจะต้องส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารคือส่งต่อเวทนาคืออไอ้สิ่งนั้นะเป็นที่ที่รู้เห็น่มันเป็นยังไงเป็นมันมีความรู้สึกเป็นยังไงทุกกลางกลางแล้วก็ส่งต่อสัญญาจําได้ไหนรู้ว่าเป็นอะไรเป็นอะไรแล้วก็ส่งต่อสังขารตกแต่งคิดปรุงปรุงคิดแล้วไอ้เวลาวิญญาณวิญญาณขันเนี่ย มันไปรับรู้รูปเสร็จปุ๊บมันเสี้ยววินาทีเดียวมันดับเลยไอจัตสุวิญญาณดับเลยแล้วมันมาเกิดการรับรู้เวทนาสัญญาตั้งขารตัวใหม่ๆต่อไปมันก็เลยเป็นเนี่ยมโนวิญญาณเป็นมโนวิญญาณที่มารู้เวชนามาโนวิญญาณมารู้สัญญามาโนวิญญาณมารู้ไอไอความคิดปุ่งๆคิดแล้วก็อารมณ์ที่เกิดขึ้นตัวต่อๆไปเรื่อยๆไปอย่างเงี้ย มันจึงไม่มีความสิน้นสุดของการคิดปรุงแต่งเพราะว่ามันเป็นกระบวนการของขันห้าซึ่งเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งจะไปตัดตอนไม่ได้เนี่ยที่เกศเข้าใจผิดก็คือว่าหนึ่งหลงเอาตัวเราไปเป็นขันห้าแล้วพยายามฝึกให้มันสัตแต่ว่ารู้แล้วเราก็เลยพอเราไปเป็นขันหา้าเราก็เลยไปตัดตอนถ้ามันรู้แล้วมไม่ปรุงที่เห็น ม, มันรู้แล้วไปปรุงรู้ไม่กระเพื่อมรู้ไม่คิดรู้ไปปรุงรู้ไม่กระเพื่อมรู้ไม่คิดมันทําไม่ได้มันเลยผิดธรรมชาติเลยเป็นตะโกนเฉยเพราะอะไรเพราะว่า เราไอตัวเราที่ไปรู้ตามทวารเนี่ยตาหูจมูกเลี้ยงกายใจอะ่ะมันเป็นวิญญาณนักขันมันเป็นวิญญาณนักขันอ่มันเป็นวิญญาณนักขันเมื่อวิญญาณนักขัไปรู้ทางประตูตาหูจมูกเลี้ยกายใจแต่ละขณะเนี่ยมันจะต้องดับไปเร็วมากแล้วก็ส่งต่อไปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็ไปส่งต่อวิ ญ, ญญาณตัวต่อต่อไปให้มารู้มันเกิดดับเพราะว่าเที่ยวในทีเดียวเกิดเป็นแสนแสนโกรธอ่ะคโดิดดูเฮามันจะไปตัดตอนยังไงมันเร็วมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเนี่ยเราเลยบอกว่าเราไม่ต้องไปไล่ไล่โอ้ยเรียกขันอย่างนี้หรอมันไล่ไม่ทันหรอกเราก็เพียงแต่บอกว่าเออให้ให้ตั้งสมมติฐานไว้ในใจเลยว่าไอ้ที่เราคิดมีความรู้สึกว่าตัวเราไปรู้อะไรเนี่ยตัวเราต้องคิดเสมอตัวเราไปรู้อะไรตัวต้องคิดต้องคิดต้องคิดต้องคิดเสมอก็คือแท้ๆไอ้ตัวเราที่ไปรู้เนี่ยมันคือขันาคือไอ้วิญญาณขันที่ไปรู้แล้วก็มันจะต้องส่งต่อเวทนาไปถึงสัญญาและสังขารคือคิดปรุงปุงคิดเสมอ มันจะไม่มีทางไปตัดตอนได้เหมือนแล้วแต่รู้เฉยเฉยรู้เฉยเฉยรู้เฉยเฉยมันทําไม่ได้เพราะว่ามันเอาตัวเราไปรู้ตามภวานอันนี้มันเป็นขันถ้ารู้ตามภวานมันเป็นขันห้าเป็นวิญญาณขันเราจะไปทําให้ตัวเราเนี่ยรู้เฉยเฉยรู้เฉยเฉยมันรู้ไม่ได้เพราะมันเป็นถ้าเราเอาตัวเราไปเป็นขันไปแล้วคือรู้ตามภวานแล้วเนี่ยมันจะรู้เฉยเฉยไม่ได้ตอนนี้มันมีธรรมชาติอีกกันหนึ่งอ่ะ ธรรมชาติของความที่ว่ารู้แจ้งที่เป็นพุทธะก็คืออะไรที่สามารถมาเข้าใจได้ว่าที่มันเข้าใจตามที่เราพูดได้ในขณะแล้วก็เห็นทั้งตข้าใจทั้งเห็นด้วยว่าเนี่ยมันเหมือนพระองค์ที่หนึ่งอ่ะพอพอลมมาพัดเทียนดับปุ๊บเฮเทียนดับแล้วเทียนดับแล้วไล่วิญญาณาขาันตัวต่อไปไมัรู้ตามทวารเนี่ยรู้ว่าองค์แรกพูดอ่ะเฮ้ยนี่มันห้องกรรมฐ า, านเนี่ยพูดทำไม มันก็ไม่เห็นไอ้ญญาตัวแรกพูดพอรู้แล้วมันก็พูดมันเหมือนกับไอ้ปัญญาเนี่ยเป็นคนพูดเองเลยคือตัวเราเนี่ยทั้งรู้ทั้งพูดทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดมันจะห้ามไม่ได้นะไอ้ตัวเราทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดเนี่ยถ้ารู้ตามทวาเนี่ยมันต้องทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดห้ามไม่ได้นะไอ้ทั้งรู้ทั้งคิดเนี่ยเออมันห้ามไม่ได้มันเหมือนไอ้พระองค์ที่สองรู้ ไอ้ตัวที่รู้เห็นและเข้าใจได้อย่างเนี้ยแล้วก็ไม่เข้าไปยึดคือให้ปล่อยให้ขันห้ามมันทางานตามธรรมชาติไม่เข้าไปแทรกแซงแล้วก็ไม่หลงปูงแต่ไปตัวเองคือไม่เป็นคนพูดรู้แล้วพูดรู้แล้วก็พูดไปเรื้อยตามองอื่นเรื่อยไปการไปเป็นองค์ที่สองก็พูดคือเอาตัวเราไปพูดจริงๆแต่ไม่ใช่ว่ารู้ตัวเรากําลังพูดแต่เอาตัวเราไปพูดจริงๆมันไม่เหมือนกันนะคือไอ้ตัวเราเนี่ยปัญญ า, าขันห้าที่มันรู้ตามธรรมวา น, นรู้แล้วคิดรู้แล้วคิด กับไอ้ที่ไอ้รู้เนี่ยที่มันเป็นพุทธะที่มันเป็นธรรมชาติของธาตรู้ที่เป็นธรรมธาตุนิพพานธาตุสุญญตาธาตุอรหันตธาตุเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันมันรู้ไอ้ตัวเราเนี่ยที่มันรู้ลราคิดรู้ลราคิดรู้ลราคิดอืแต่ตัวมันเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่มันไม่ได้คิดแต่มันมารู้ไอ้ตัวเราเนี่ยรู้ลราคิดรู้ลราคิดรู้ลราคิดรู้ลราคิด แต่ไอ้ไอ้รู้ที่เป็นพุทธะเนี่ยมันมารู้ตัวเราที่รู้ละคิดรู้ละคิดไอเดียวห้ามไม่ได้แต่ไอ้ตัวนั้นน่ยมันมารู้ตัวเราอะเรามันมารู้ตัวเราว่าเนี่ยตัวเรามารู้อะไรก็ต้องคิดรู้อะไรต้องคิดรู้อะไรก็คิดไดยไปคิดดีคิดชั่วคิดกลารคิดดีคิดชั่วคิดกุศลน่ากุศลเนี่ยมันก็เพื่มกับเพื่อมกับเพื่อมได้ดีมันจะชั่วมันเดี๋ยวก็ไม่กระเพื่อมมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แน่มันเป็นธรรมชาติของขันห่านเดี๋ยวก็เพื่อมเดี๋ยวก็ไม่กระเพื่อมเดี่ยมวก็เรื่องปกติ แต่ไอธรรมชาติของฝ่ายคุตตะซึ่งเป็นธรรมธาตุยิพลธาตอลาหันธาตจะเรียกอะไรก็ได้ชื่อไมนสมมุติหมดอ่ะมันมีอานหนึ่งคือมันไม่ปรุงแต่งมันเป็นวิสังขารมันเป็นอาสังขารธาตุเขานิยมเรียกว่าใจพอแม่บูบ่าใจเรียกว่าใจไอ้นั่นน่ะมันไม่ใช่ตัวขันอ้ตัวที่รู้ละคิดรู้ละคิดรู้คิดไอ้นั่นอ่ะมันมันได้แต่มันได้แต่ว่าอะไรมันได้แต่รู้ว่าไอเนี่ยมันรู้ละคิดรู้ละคิดรู้ละคิดไอรู้ละคิดเนี่ยมันขันห้าตอนนี้ ไอ้รู้ละคิดรู้ละคิดรู้ละคิดเนี่ยมันจะไปคิดได้ที่ไหนล่ะมันจะไปรู้ละคิดรู้ละคิดรู้ลคิดที่ไหนมันก็คิดอยู่ในใจนี่แน่มันไม่ไดไปคิดข้างนอกหรอกมันไม่ได้ปคิดข้างนอกมันไม่ได้ไม่ได้ปคิดที่ที่โน้นที่นี่ที่นั่นหรอกมันคิดที่ใจมันเอาของเข้ามาเข้ามาคิดในใจตาไปเห็นรูปมันก็มาคิดในใจหูได้ยินเสียงมก็มาคิดในใจจมูกได้กินมันก็คิดในใจไอ้จะไอ้ลิ้นไปลิ้นลบมันก็มาคิดในใจกายไปสัมผัสมันก็มาคิดในใจ พอไปรู้อาการเนี่ยไม่ว่าโป่งโล่เบาสบายนิ่งว่างเฉยไม่โป่งไม่โล่ไม่เบาไม่นิ่งไม่ว่างเฉยหรือว่ารู้คิดดีคิดชั่วคิดปุ่คิดป่าคิดกุศลนักุญสมมันก็ไปคิดต่ออีกมันก็ไปคิดรู้แล้วคิดรู้คิดต่อไอสิ่งที่ถูกรู้อันแรกมันก็จะเป็นธรรมอารมณ์เรื่อยไปไอผู้รู้ตัวใหม่มารู้ปุ๊บไอตัวนี้ก็เป็นวิญญาณขันไปแต่ไอพวิญญาณขันมันเป็นรู้ปุ๊บแล้วมันก็ปรุงไปเวทนาสัญญาตังขาดทันทีมันเลยก็กลายเป็นธรรมอารมณ์ตัวต่อไปเป็นสิ่งที่ถูกรู้ตัวต่่่ออไไปปเเรืยยขมนี คือถ้ามันรู้ตามทวาเนี่ยตาหูจมูกยิ้นกายใจอ่ะมันเป็นวิญญาณอาคารเป็นขันห้าตอนเนี้พอมันมารู้แล้วเนี่ยตอนขณะขนาดเซี่ยวนีทีเดียวนะที่มันมารู้เนี่ยเซี่ยวนีทีเดียวขณะที่มันลุ้เนี่ยมันเป็นวิญญาณเป็นวิญญาณอาคารแต่มัน์แ้นเดียวเี่ยวไปทีเดียวแล้วมาส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารอันนี้กลายเป็นธรรมลมทั้งทีเพราะว่าเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันเป็นเจตสิกเจตสิก ที่เขาเรียนพระอภิธรรมอ่ะเขาเรียนพระอภิธรรมเขาเรียนอยู่สี่ตัวคุณเรียนรูปเรียนจิตเจตสิกนิพพานรูปจิตเจตสิกนิพพานรูป ก, ก็คือร่างกายเนี่ยรูป ก, ก็คือร่างกายแล้วก็หรือสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดตาหู้จะหูกนินวกายใจญาติณภายนอกสิ่งที่ถูกรู้เป็นรูปที่เขาบอกว่าผู้รู้เป็นนามสิ่งที่ถูกรู้เป็นรูปผู้รู้เป็นนาม หรือเรียกว่ากายร่างกายก็เป็นรูปประธานรูประขนันเวทนาสัญญาสังขารเป็นนามขันเนี่ยนามขนันเนี่ยส่วนเนี่ยไอ้รูปรูปร่างกายเนี่ยก็เป็นกายไปไอ้ส่วนเวทนาสัญญาสังขารสามตัวเนี่ยที่ไปถูกวิญญาณมารู้เนี่ยก็ก็เรียกว่าเจตสิกเจตสิกเจตสิกเป็นเจตสิกหรือเป็นธรรมอารมณ์ แล้วก็ไอโจรวิญญาณเนี่ยเขาเรียกว่าจิต เ, เรียกว่าจิตแล้วก็นิพพานนิพพานคือพ้นจากความยึดทั้งหมดแล้วนิพพานอ่าตอนนี้มันมีสี่ตัวรูปจิตเจตสิกนิพพานไอ้รูปก็คือร่างกายจิตก็คือวิญญาณวิญญาณในขันที่ห้าที่มารูแล้วก็ไอ้ส่วนเวทนาสัญญาสังขารสามตัวนี่เป็นเจตสิกเป็นเจตสิกที่มันเนี่ยมันมันรู้อะไรปุ๊บผมวิญญาณมารู้ปุ๊บ มันต้องประกอบมาทันทีเลยคือวิญญาณไปรู้ปุ๊บมันต้องประกอบพัฒนาสัญญาณรักษาที่มันจะไปตัดตอนไม่ได้นะไม่ใช่แบบพอไม่รู้ปุ๊บเฉจะทําให้รู้เฉยเฉยตัดแต่ว่ารู้รู้เฉยเฉยแล้วเฉยเลยไอ้เกมันฟังแล้วก็ใจผิดเลยทุกคนเนี่ยฟังแล้วก็ใจผิดแล้วก็ไปรู้เฉยรู้เฉย<ม>ไปรู้เฉยได้ไงมันเป็นวิญญาณขาักษามันรู้ตามประตูทวาวรมนรู้มาตามประตูถาวรน่ยตาหูจมูกลิ้นแจ๊ก้าไปรู้ตามประตูทวาวรเนี่ยไอ้วิญญาณเนี่ยมันเป็นจิต ลูกจิต ide, จิตเป็นวิญญาณลูกก็คือกายเอไอเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันเป็นเจตสิกเจตสิกคือมันเกิดดับพร้อมกับไอ้ไอจิตวิญญาณที่มารู้มันเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันมันเกิดพร้อมกันดับกันเขาเรียกว่าเจตสิกไอเจตสิกเนี่ยมันจะถูกรู้ได้ไอเจตสิกเนี่เยเป็นธรรมลมตัวนี้คอเราก็ใจอย่างนี้แล้วก็ไม่อยากแหละพอมันไปรู้อะไรก็ตามเนี่ยมันไปรู้ตามถาวรมันจะรู้ตัว มันเป็นไอ้ริงเหล่าเนี้ยไม่ใช่มันเป็นขานาทั้งหมดทวีตุตางถวานเป็นวิญญาณในขาแล้ววิญญาณในขาเนี่ยมันเกิดเรี่ยวในจีเดียวที่มารู้เพราะอะไรตัวมันอิสระแค่คถ้าจะดูไม่เห็นเราดูไม่ออกกเพราะว่ามันเที่ยวเดียวเป็นอิสระเที่ยวเดียวแล้วมันประกอบเลยประกอบเว็นาสัญญาณขานทันทีผมมันส่งต่อทันทีเลยเอาเวทนาสัญญาณขานประกอบทันทีก็เรียบร้อยขนาดจิตเดียวมันเร็วมากคือแล้วไอ้ขณะดที่มันรู้นะรู้รูปนะวิญญาณที่มันรู้รู้กับตัวนึ่งจากสุวิญญาณจากสุวิญญาณรรูู้ป ่รู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้ปวดตะเภาก็เรียกว่ารู้ไอเนี่ยเพราะอะไรวิญญาณที่มารู้เนี่ยมันคนละตัวหมดเลยจากจุวิญญาณรู้เสียงก็โสตวิญญาณพอรู้กลิ่นก็ฐานะวิญญาณพอรู้รสก็ชิวหาวิญญาณพอมารู้สิ่งผัสต่างกายก็ปวดตะเภาวิญญาณพอมารู้อาการทางใจก็มโนวิญญาณวิญญาณทั้งหมดเลยวิญญาณนะวิญญาณวิญญาณพอรู้ปุ๊บเสี่ยววินาทีเดียวนะเป็นอิสระตัวมันเปิสระแค่เสี้ยวในเดียวมันไม่อิสระแล้วเพราะอมบวกเวทนาสัญญาสังติั้งขันือ มันจะลุปุ๊จะต้องส่งออกเวทนาคือความรู้สึกอย่างไรแล้วก็สัญญาจําได้ไหนรู้แล้วก็คิดปรุงคงคิดเข้าใจว่าอะไรนี้เป็นอะไรเป็นอะไรคนนี้เป็นใครมาไงาเจอกันกี่โหนเป็นใครเป็นลูกใครเป็นสามีใครภรรยาใครอันนี้มันบวกเสร็จเสร็จแลนน้วในนั้นในการรู้นั่นแหละและไอ้ปัญญาเนี่ยนอกจากมันมารู้ลูบแล้วเนี่ยพอพอมันส่งต่อเวทนาไอ้ปัญญาตัวใหม่ก็มารู้เวทนาพอส่งต่อสัญญาวิญญาตัวใหม่ก็มารู้สัญญาพอส่งต่อทั้งขานคิดปรุงปรุงคิดไอ้วิญญาตัวใหม่ก็มารู้มารู้ไอ้ไอ้ความค มันส่งต่อเวทนาสัญญาตัณหาเนี่ยเกิดวิญญาณตั้งหลายตัวผลจาเราไปตัดตอนเนี่ยไม่ได้หรอกเพราะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจตัวเนี้ยสะกดจิตเตอ๋อตายคืออะไรเราเป็นสะกดจิตตรงวิวญญาณอคติให้มันรู้โดยไม่ไม่ส่งต่อเวทนาไม่ส่งต่อสัญญาไม่ส่งต่อความคิดปรุงให้มันรู้แล้วไม่กระเพื่อมให้มันรู้แล้วไม่คิดอะไรให้มันรู้เฉยเฉยรู้เฉยเฉยมันทําได้เ ม, มื่อไหร่เราเป็นวิญญาณอคต์ เพราะเราไปรู้ตามทวารรู้ทางตาอะรู้รูปทางตามันไปรู้ตามทวารรู้เสียงทางหูไปรู้ตามทวารรู้กินทางจมูกไปรู้ตามทวารรู้รสทางลิ้นไปรู้ตามทวารรู้อาการอะรู้อาการของใจรู้ตามทวารเมื่อเราไปรู้ตามทวารมันเป็นขันนะวิญญาณขันมันรู้ตามทวารเป็นขันห้าแล้วมันต้องส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารคือมันจะต้องมีความรู้สึกที่ดีไม่ดีกับเขาอย่างไรแล้วก็จะต้องมี สัญญาจำได้ไหมรู้ว่าใครเป็นใครนี่มันเป็นธรรมชาติตัวที่แบบรู้ซื่อๆคือรู้วิตริสังขารเออตอนนี้ไอ้รู้ซื่อๆหรือว่าสัตว์วารู้นั่นเนี่ยไอ้ตัวนั้นมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งเรียกว่าวิสังขารหรืออสังขารตถาคือมันไม่ปรุงแต่งไม่มีกิริยาการอะไรไม่มีรูปพันธสังขารใดๆและไอ้ตัวนั้นมันต่างกับวิญญาณานักขัอย่างไรละ เราพยายามอธิบายวิญญาณขันไม่ต้องน้ำ <Gre> ด <weave forward> ้วยเหตุความแตกต่างไอ้รู้ที่เป็นวิญญาณธาตุเนี่ยวิญญาณธาตุี่เป็นภาตที่บริสุทธิ์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นวิญญาณขันนะไอ้รู้เนี่ยเป็นวิญญาณธาตุแต่ชื่อมันเป็นรู้เหมือนกันแต่วิญญาณขันนันรู้ตามภวานแต่วิญญาณธาตุเนี่ยหรือพุทธะหรือธรรมธาตุหรือนิพพานธาตุหรืออรหันธาตุหรือสุญญตาธาตุจะเรียกว่าอะไรก็ได้ชื่อเป็นกมุดแต่ตัวตนมันไม่มีไม่มีรูปร่างไอ้รู้ตามธรรมชาติเนี่ย ด้วยธรรมชาติที่รู้เนี่ยมันตัวตนไม่มีไม่มีรูปร่างไม่มีอาการมันคิดอะไรไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีอาการใดๆเลยมันเนี่ยมันไม่ได้รู้ตามถาวรแต่มันรู้ว่าเนี่ยไอ้ขันธ์หเนี่ยไอ้สังขารทั้งหมดในโลกเราเนี่ยที่อยู่ภายนอกร่างกายเราเนี่ยมันเป็นสังขารปรุงแต่งทั้งหมดสิ่งใดปรุงแต่งสิ่งนั้นเกิดเพื่อสิ่งนั้นยอดดับไปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยแล้วก็ไอ้ร่างกายเนี่ย ไอ้ร่างกายทั้งหมดเนี่ยแล้วไอ้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาแล้กระดับปุ๊บเกิดขึ้นมาแล้วกระดับแล้วสงต่อต่อๆ่อันไปเนี่ยเราต้องการที่พูดเราพูดอยู่ตั้งนานในเรื่องวิญญาณสังารเนี่ยไอ้เรื่องขันหน้าขันหน้าเนี่ยอะไรเราต้องการให้เห็นว่ามันดับปุ๊บไปเลยเนี่ยดับดับดับดับดับดับดับเร็วมากเลยเนี่ยมันเกิดแล้วก็ดับเร็วมากเกิดแล้วก็ดับเร็วมากมันจึงไม่มีตัวตนหรอกมันจึงไม่มีตัวตนที่คงที่เพราะไอ้ขันหน้าเนี่ยมันวิญญาณโุ พอมันรับรู hey, okay. there, there. ้แล้วมันส่งต่อเวทนาสัญญาตหารระดับดับดับดับดับไอ้ตัวใหม่ก็มารับรู้ระดับดับดับดับดับมันเร็วมากจนแบบว่ามันไม่มีหรอกไอ้ที่มันเที่ยงเป็นคงที่เป็นตัวเป็นตนมันไม่มีจึงไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราไอ้วิญญาณธาตุหรือไอ้วิญญาณขันที่เขาเรียกว่าพุทธะเพราะว่ามันมีความรู้แจ้งมีสติปัญญาที่จะสามารถรู้รับเข้าใจงนี้ได้และเห็นด้วยไม่ใช่ต้องรู้ต้องเข้าใจมันเห็นด้วยว่าเนี่ยไอ้ขันห้ามันเป็นอย่างนี้และไอ้นอกขันห้าก็เป็นอย่างนี้เป็นสังขารทั้วล้นกแ็ มีอะไรก็ตามมีความปรุงแต่งมีการก่อสร้างขึ้นมาต้องเตาต้องปูต้องพางต้องสลายคนก็เรียกว่าแก่เจ็บตายแล้วก็ไอ้ส่วนไอ้เวทนาสัญญาสังหารที่ปุงขึ้นมารับลู่แล้วก็ส่งต่อความรู้สึกส่งต่อสัญญาส่งต่อความคิดปุงแต่งเนี่ยมันเกิดปุ๊บก็ดับดับดับดับดับดับเดือนสลับแล้วทุกสิ่งอนล้วนแต่เป็นสังหารทั้งหมดเกิดแล้วดับเกิดระดับเกิดระดับเกิดระดับเร็วมากแม้แต่ตึกรั้วช่องคลุมลม เสื่อสร้างแข็งแรงมากุลงปุ่มศิริยาคุณสุโธไทยยังไงกูฟังหมด แ, แล้วเพราะอะไรตกอยู่ใต้กดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาสร้างขึ้นมาสิ่งนั้นย่อมดับไปเสื่อมไปเป็นธรรมาดานี่คือกฎของธรรมชาติฝ่ายปุงแตง่งเหลือหนึ่งเดียวขทออ่นั้นมีหนึ่งเดียวกันคือพุทธพุท ธ, ธคือห น, หนึ่งเดียวคือพุท ธ, ธะคือความไม่ปุงแตง่ง ความไม่ปรุงแต่งเนี่ยทำไมเรียกว่าบุญธก็สามารถทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเข้าใจได้ว่าเนี่ยธรรมาชาติทั้งมวลล้วนแต่เป็นปรุงแต่งมีแต่ตัวมันเท่านี้ไม่ปรุงแต่งแล้วมันก็เลยไม่ไปยึดสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งภายนอกและไม่ไปยึดขันหน้าที่เป็นรูปประคันและไม่ได้ยึดตาหูจมูกลิ้นกายและประตูใจที่มันเป็นอายตนาภายในและมันไม่ไปยึดไอ้วิญญาณขันไม่ไม่ยึดนามขันเวทนาสัญญาสังขาร ท, ท, ที่มันเป็นฝ่ายปรุงแต่ง เพราะว่ามันเห็นว่าไอ้สิ่งนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราล้วนแต่เป็นสังขารปรุงแต่งทั้งหมดเป็นตกอยู่ใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปดับไปต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องสลายไปมันเลยรู้เห็นเข้าใจแบบนี้แล้วมันก็ไม่เข้าไปยึดแล้วมันก็คําว่าไม่เข้าไปยึดเนี่ยเขาเรียกว่าปล่อยวางไม่ใช่ว่ปจับแล้วปล่อยคือมันรู้เห็นตามความก็จริงมันเขาไม่เข้าไปจับแล้วไม่เข้าไปไปล่อยเขาเรียกว่า ปล่อยวางปล่อยวางเนี่ยไม่ได้ป่ะเขาไปจับแล้วไปปล่อยอย่างนี้ไม่ทราบว่าจะเข้าใจไหมเนี่ยนั้นไอ้ที่บอกว่าถามว่าไอ้ผู้รู้ค่ะไอ้ผู้รู้ที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติแล้วแล้วมันเป็นยังไงก็คือเนี่ยเราสังเกตไหมว่าไอ้ผู้รู้ที่เป็นศึกษาเนี่ยมันไม่ได้รู้ตามภรรมาตแต่มันเป็นผู้รู้แจ้งรู้พลรู้เพาะอะไรรู้พลจักสังขารตั้งตัว แล้วไม่มันไม่มายึดตัวมันเองนะเพราะอะไรก็ตัวมันเป็นวิสังขารเนี่ยแล้วใครจะมายึดมันได้ล่ะถ้าเราจะเอามายึดมันเราก็ต้องเอสังขารขันหน้เนี่ยไปพยายามยึดมันยังมีคนอุตรีจะไปยึดตัวมันเองอีกไปยึดไอ้พุทธะอีกก็จะยึดได้ไงเพราะตัวมันเป็นตัววิสังขารคือความไม่ปรงแต่งพยายามเจ้าขันหน้าไปยึดมันเนี่ยเราก็หวังว่าจะเข้าใจกันสักทีเราจะได้เลิกพิมพ์ไม่งั้นก็ต้องพิมพ์ต้องตอบต้องพิมพ์ต้องตอบจนนี่เนี่ย เราเนี่ยพิมนนพ์ต่อใช่ไหมพิมพ์ไม่เสร็จเพราะว่าเวลาเราพูดมันยาว <c oughs> เวลาเราพิมพ์เราไม่รู้พิมพ์ยังไงแล้วก็พิมพ์สั้นนนำมาเอามาสรุปมันก็ได้แต่สรุปแล้วคนก็ไม่เข้าใจสักทีดูที่เนี่ยพูดตั้งนางนใี่ไหมเนี่ยมันดีมันกันน่ยอัดๆเราไปเปิ ด, ปดปยยไไมันเฉยงี้ไม่ต้อง ไ, ไม่ต้องไปพูดไปต้องไปพิมพ์เลยแล้วก็ส่งเป็นไฟล์เสียงเอาไว้ <c oughs> คิดาน่าจะเข้าใจนะอย่างเงี้ย เข้าใจไหานีมาดกันไม่มไม่เคยอห็นเข้าใจไหมเคยเคยมาไหมไม่เคยเนาะเราเข้าใจไหมฟังแล้วเข้าใจไหมพอเข้าใจ้วก็ตั้งใจว่าจะเาไปวนอีรังเออเ อ, อไปชวนจะชวนนะแล้วเข้าไปเป็นเข้าไปในไลน์เอาซีดีไปฟังแล้วเข้าไปในไลน์ไปอ่านแล้วทกรังจะไปฟังจะเข้าใจซีดีไปฟังอ เ, เออเออแล้วก็เข้าไปในไลน์ไปอ่านนึกถึง น, นึกถพระพุทธธรรมระตุ้ดำพระคุบาจารย์ะตุตาแล้วก็ ดูบารมีที่เราทำมาแล้วพิธารแล้วก็ขอให้ฟังเนี่ยถ้ามันรู้มันเห็นเข้าใจแล้วใจมันเป็นธรรมที่เป็นพุทธะมันจะไปเป็นธรรมย่างกุลุมไม่ใชอธรรมที่เป็นพู้รู้แจ้งรู้นแพลนั้นในพูดรู้แจ้งรู้พนจริงๆเนี่ยมันมันเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่เราจะเห็นมันได้ก็คือตอนจบเราไม่ได้เห็นมันได้มาตลอดหรอกเราจะเห็นมันได้เห็นแค่ตอนจบเท่านั้นเนี่ย ความจริมันมีอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นมันไอธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งนะทําไมเราไม่เห็นมันนะเพราะเรามโแต่ไปยึดซะเราไปยึดซะเราเลยไม่เห็นมันเพราะว่ามันคือความไม่ยึดแต่พอเราไปยึดนดยึดนี่เราเลยไม่เห็นมันเมื่อไรเราสิ้นยึดปุ๊บเราเลยเห็นมันเราจึงเห็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเพราะเออไม่ีธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งกันเลยก็ธรรมชาติฝ่ายปรุแต่งก็คือก็เออเรานี่ยนะที่รู้เห็นเข้าใจแล้วไม่ยึดอะไรนี่แน่มันก็คือเรานี่แน่แต่เป็นเราที่ถูกตัว แตไม่ใช่ว่าเราไปถึงตัวตัวขันห้าตัวตนของเราแต่เป็นเราที่ถูกตัวแล้วคือเออเป็นเราที่ไม่ยิดอะไรแล้วไม่หลงยิดอะไรแล้วเป็นธรรมชาติฝ่ยที่สังขารที่ไม่ปูุงแต่งเรียกว่าเป็นพุทธคือเราที่เป็นพฤฤฤุทธไม่ใช่เป็นผู้หลงเออไอ้นั้ น, นไม่ใช่ไอ้ที่รู้ตามสวรรคเอาเราไปรู้มไม่ใช่ไม่ใย่พุทธอันนั้นเราจะเป็นหลงไปดังนั้นไอ้ตัวพุทธจริงๆมันมีอยู่แล้วธรรมชาติรู้เนี่ย ที่เป็นวิตญาณขาไม่ปภูมแต่งมันมีอยู่แล้วแต่เราเนี่ยไม่เห็นมันเพราะว่าเราเอาตัวเราไปปูมิแต่งหรือเราไปยึดสิ่งที่ปรมิแต่งเราเลยหมดสิทธิ์ที่จะเห็นธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งพราะเราเนี่ยสิ้นยึดแล้วไอ้ธรรมชาติฝ่ายไม่ภูุงแต่งเนี่ยมันก็เลยโผล่มันให้เห็นก็โผล่ว่าใคร่โผล่เห็นก็คือตัวเราผู้ไม่ยึดนี่แหละโผล่ใครเราก็โผล่ตัวเราที่ไม่ยึดเนี่ยที่ยึดแล้วเนี่ยอันนี้เน่ยคือจะใครจะเป็นพุทธะแต่ตัวเรานี่แหะเป็นพุทธะ แต่มันจะวอกไันถึงจะตัวตนก็คือตัวเราผู้รู้แจ้งนี่ไงผู้รู้แจ้งนี่ไงเคยรู้แจ้งรู้พ้นรู้สิ่งยึดแล้วนี่ไอันนี้แหละคือพุทธะจะเป็นใครเราก็คือเราเนี่ไหนแต่เราไปยึดเอาเราเป็นผู้รู้ในขันห้าซะสิเป็นไล่รู้ตามทวารู้ตามอากาศแล้วเราก็ไปสะกดเราก็เห็นผู้ที่สอนผิดสอนผิ ด, ผดเยอะมากเลย สอนผิดต่อหน้าเราก็มีสอนผิดใน YouTube มีชื่อเสียงโด่งดังก็มีสอนผิด ส, สอนผิดคือไปเอาไอ้ไอ้รู้ตามทวารเนี่ยไปให้เป็นสัตว์แต่ว่าเราสะกดกันแหลกลามเลยแล้วขนาดแบบว่ารู้อะไรแล้วเนี่ยให้รู้แต่เป็นรูปโครงสร้าง อ, อย่างเช่นเขาบอกเลยเาพูดกับเราเลยเนี่ย เขพูดเลยสอนแล้วก็พูดด้วยแลว้วก็นนเลยบอกว่าอย่างเช่นรู้รถปุ๊บห้ามรู้อ่ะไม่ให้รู้อ่ะรู้อะไรแล้วไม่ให้รู้ว่ารถเนี่เป็นยี่ห้ออะไรสียอะไรให้รู้แต่โครงสร้างเห็นอะไรเนี่ยให้รู้แต่โครงสร้างไม่ให้รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นคนสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่เจ่ทักคนละสัตว์ให้เป็นแต่แท่งแท่งหนึ่งแท่งแท่งหนึ่งแท่งแท่งหนึ่ ง, ๆๆงอย่างนี้นะคนท้ายเนี่ยถ้ากดจิตจะเออก็ไป่หมดคน แม้แต่ผู้สอนเองก็แตะไม่ได้เลยของขึ้นอารมณ์แรงมากบอกผู้สอนทําทำไม่ได้เลยแล้วไปสอนเขาอย่างนั้นอ่ะท่านจะทำได้มันเป็นมันเป็นขันที่ทำงานเลยคม่ากวิญญาณขันเนี่ย มันต้องส่งต่อเวทนาสัญญาตั้งขาแล้วส่งต่อวิญญาตัวต <mam> ่อตไปเนี่ยโอ้โหและตัวต่อตไปก็ต้องตั้งรู้ตั้งคิดตั้งรู้ทั้งคิดมันจะเร็วมากที่สุดแหละอะไรทั้งรู้ด้วยแล้วส่งต่อเวทนาสัญญาตั้งขาตั้งรู้ตั้งมีเวทนาสัญญาตั้งคิดั้งรู้ตั้งเวทนาสัญญาตั้งขาดมันจะเร็วมากต่อไปเงี้ยไม่มีที่จบสิใครจะไปตัดต่อมาได้มันเร็วมากเกิดดับตั้งเซลทีเดเกิดดับเป็นแสนปุ๊งเงี้ยโอ้โหเกิดดับทีเร็วมากมันไม่รู้เท่าไหร่ มันจะใคร ไ, ไปดับมันได้ไม่ตัดตอนนี้นเนี่ยธรรมชาติเ <Yeah. S 1> นี่ยแล้วเราเราสอนยังไงอะคนที่มันยังจํามาปิดๆแล้วมันไปสะกดซะเออแต่เวลาพอไม่เออก็ปรุงไปสเสด็จพงเสด็จพอรู้สึกตัวขาากกึ้นมาสะกดยิ่กนะึ๊บเนี่ยแต่วันนี้ว่าไม่ได้นะว่าแล้วตาตกแตะหน่อยร้องไห้แตะหน่อยของขึ้นแตะหน่อยร้องไห้แตะหน่อยของขึ้นวันนี้ว่าไม่ได้ ว่ามันงดี่ิตอยู่วข้างในโมโหโยมในแล้วมันบาดผิดยู่ข้างในพอไปแตะแล้วน้ําตาล่วงน้อยใจน้อยใจแต่เราว่าแล้วน้อยใจบางีก็ของขึ้นใสของขึ้นใสเอกเอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้วะพอแตะแล้วของขึ้นจะไปสอนอะไรต่อกัอนได้เพราะว่ามันแทนที่จะตั้งใจฟังมันไม่ตั้งใจฟังลอล้วเาเริ่มจะอ้าปากพูดของขึ้นเลย มันไม่เข้าใจเออถ้าเออเนี่ยมันมีคนอื่นมานั่งด้วยไงมันก็เลยเราพังเนี่ยมันก็เลยพอตั้งเกณฑ์ากเเพราะถ้าเป็นเราพางังหลายยาดปากตอไม่ได้เราโ ด, ดนลุงมาเดียว